จต ใ, ใจเราก็ไม่ต้องไปทรมิตรต้องเข้าฌานแบบโยคีฤศีพุธนีในอินเดียอย่างโยคีฤศีพุธนี้ในอินเดียเนี่ยเขานั่งสมาธินี่โหเดินเข้าไปใกล้เรา ย, ยังสัมผัสความเย็นเหมือนเทือเขาหิมาลัยเลยน ะ, เ, ะเขาไม่สนใจเราเลยน ะ, เ, ะ <c oughs> เขาเข้าฌานสมาบัติเนี่ยเข้าฌานนับนานเป็นปีเป็นเดือนอ่าสือส่อศีกินวาตาไม่กินข้าวมีสุขทุกคืนวันนะเขาอะไม่สนใจเราเลย โยคยีหรือสีไว้หนวดยาวเป็นม้วนเอาไว้เป็น2เมตร3าเมตรน่นน่ะหนวดเขาอ่ะไม่สนใจใครจะด่าว่าจะชมหรือไม่สนใจนี่คือือสีแบบเข้าชานแบบลึกๆอ่าทางในพุทธประวัตรว 1, ิราเวียนหนึ่งพันเล่มวิ่งมานี่ไม่สนใจเลยนางระบำะพ่อค้าขายค้าขายได้กำไรแล้วก็มีนางระบำเต้นลำมาตามนกกรบพวนเกลียนนี่ โยคีเข้าฌานไม่สนใจเลยไม่สนใจเอวองคทรงเอวเลยไม่สนใจเลยไม่สนใจความสนุกสนานสมประสบความสำเร็จทางชีวิตไม่สนใจไม่ใหญ่ดีเลยนั่เขาเข้าฌานขนาดนั้นต่อให้ก่อนตายมาภาคเขาตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สนใจนั่นแหะมันลึกขนาดนั้นทีนี้การทําสมาธิก็ไม่ถึงกับเป็นแบบโยคีขนาดนั้นเพราะอ่านั้นมันเรื่องค่อนค่อนข้างจะเหมือนฝิ่นเลยอะสมาธิเหมือนฝิ่นทําฌานเหมือนฝิ่นเลยเหมือนมันติดเหมือนฝิ่น่ะเหมือนฝิ่นเหมือนพอฝนติดเหล้า พอวันที่สองไอ้สี่สิบคแล้วเดินง่อยเลยอ้าวอะไรวันแรกก็ก้งก้กักเนี่ยเนีมันเมาไมอมเมาหีนินทาเขาไงนะแต่แต่ถ้าไม่มีแกก็ไม่มีสีสันนี่คือเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยเวลาไอเราถูกครอบงำด้วย ศีลด้วยสมาธิด้วยฌานสมาบัติเหล่านี้มันก็ทำให้เราเมาเหมือนกัน <c oughs> แต่เมาคนละแบบถ้าเด็กไปรุ่น ม, มันแต่งตัวใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่กางเกงขานะ <c oughs> สั้นนะนะเสือเบือหูใช่ไหมเขาเรียกนั่นแหละเท่าไปเถกเต้นลํายั่วยุหนุ่มสาวยั่วยุกันอะไรกันนั่นก็มอมเมา อ, อ, อ, อีกวิธีหนึ่งคนดูหนังดูละครก็มอมเมาอีกวิธีหนึ่งส่วน โยคีหรืสีพอดีก็ถูกมอมเมาด้วยสมาธิไงมันมันบ้าคนละแบบกันพูดถึงก็คือบ้าเหมือนกันนั่นแหละบ้าคนละแบบเหมือนเรามาเดินอย่างงี้ก็บ้าเหมือนกันลองไปถามสัมภาษณ์คนชาวบ้านดิเขาว่าไปเดินทําบ้าอะไรไมีประโยชน์เลยเขาเข้ า, ขามาเราบ้าอแล้วเขาก็าไปเล่นตกปลาสาดน้ําสนุกสาานานปะแป้งหนุนหนเราเราก็บอกว่าเขาบ้าเหมือนกันนะฮะมันคนละแบบกันที อย่ามัวแต่ว่ากันและกันให้แค่ให้ใครใครอยู่ในมิติไหนอยู่ในภาวะแบบไหนอยู่ในเมื่อคืนนี้พู้ใดเ้าเรียกว่าอยู่ในช่วงขณะไหนไก็ให้เป็นไปอย่างนั้น <c oughs> ดอกไม้จูมอย่าทะเลาะ ก, กับดอกไม้บานดอกไม้บานอย่าทะเลาะ ก, กับ <c oughs> ความแตกต่าง <c oughs> ของนดินฟ้าอากาศหรือว่าแมงมงงงงงง่งย่ๆหรือว่ายุงเพียงแต่ว่าให้เข้าใจกันและกันแล้วก็สงบเงียบทําไปอย่างเรามาก็ทํามาใครใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เขา ลราก็ไม่ไ ป, ไปผเผยเยือปากว่า้คนอื่นนั่นก็เท่ากับจิตใจเราเป็นสมาธิแล้ว <c oughs> <c oughs> พอเราไม่ถูกมั่เมาด้วยอฌานสมาบัตหรือเครื่องรางของขังเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงใจของเราก็จะใกล้ใกล้ใกล้ธรรมชาติเรื่อยเรืเ่อยเรื่อยเือก็จะเป็นสมาธิตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเข้าชานให้เสียเวลาในทีเข้าชาเนี่ไม่ต้องทํางานเลยนะข้าวไม่กินน้ําไม่กินเลยนะ นายจาร์เน่เคยงดอาหารถึงเป็นเดือนเลยนะขนาดนั้นแต่นั้นคือไม่ได้ไม่ได้มีความหมายที่จะขังหรือหรืออะไรหรอกเพียงแต่ว่าอยากจะทดสอบดูแต่ยังไปอ่านวประวัติของพธธระพุทธเจ้าที่ท่านผลงดอาหารเนี่ยหรือว่าเราโยคียหรือศรีมุนียุคสมัยเมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนเนี่ยเขาจะเป็นข้านิยมอันหนึ่งก็คือบําบเพนตบาทแข่งกันหรือว่าเป็นข้านิยมอันหนึ่งที่ถ้าใครจะสแสวงหาความพ้นทุกข์หรือว่าโมฆะธรรมเนี่ย ต้องบาเพ็ญตบะหนักหนักพอเพ็ญตบะดาดอนักหนักบางคนก็นั่งบนตะปูบางคนก็นั่งบนหนามบางคนก็ขุดุดินลงไปแล้วก็ฝังตัวเอาเจอแต่หมูกเต้ จ, จมูกอบางคนก็เอาเหินถ่วงตัวถ่วงสารพัดเลยสาระที่จะทำเพราะอ่านอย่างนั้นแล้วก็คึกใหม่หนุ่มเลยเนาะอาจารย์ก็คึกคึกก็อยากจะลองอดดูมันเป็นยังไง แต่รู้ว่ามันผอมผอมเป็นยังไงมันทุกข์มันทุกข์กเป็นยังไงมันหิวหิวเป็นยังไงหัวอดจนเห็นปากกระฝองลอยมาโน่นแหะเห็นลาบน้ำนตกเห็นอบไก่งวงลอยมาโน่นแล้วทางการต่อต้านจิตที่มันต่อต้านจิตนี่ก็คือปรากฏกรารณที่เป็นเจตสิกนั่นแหะมันเกิดขึ้นมาขบวนการปรุงแต่งของละลอกขึ้นที่มันเกิดในใจของเราเนี่ยมันขึ้นมาต่อต้านทําไปทําไมกลับบ้านมาอยู่ทําไม ไม่มีประโยชน์ไร้สาระมาทำไปเพื่ออะไรโอ้มันคิดปรุงแต่งไปตลอพันเลยระหว่างทีเ่เราวิจัยเรื่องการงดอาหาร56กวันเหรครับาจาร52ห้าสิาส2วันน้ำอย่างเดียวน้าอย่างเดียวถึงรู้ว่าคนไม่กินทานอาหารนี่ไม่ตาย <c oughs> ก็เข้าใจเคล็ดลับของกบงกบที่ว่าจำศีลสเดือนไม่ตายจริงๆแล้วเคล็ดลับของกบมันก็มีอยู่เวลามันหน้าฝนเนี่ย มันทำรูลงไปรูกว้างๆดินนิ่มๆเนี่ยมันก็รูกว้างมันก็เคาไปทำเป็นโพรงเป็นถ้ำอยู่ด้านในพอเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงฤ ด, ดูแล้งเนี่ย ส, สเดือนผ่านไปเนี่ยรูยังไม่ปิด ย, ยังมีงงรูรูใหญ่ตอนแรกมันก็รีดลงรีดลงดินมันแห้งบีบลงเป็นแบนๆทีนี้ระหว่างแบนๆเนี่ยน้ำค้างตกลงมาตามตามเนี่ยบางทีแมงมุมมันลงมาทำใยลงมาตามรูเล็กๆ แค่น้ำค้างตกลงมาแมงมุมหรือกิ้งลงกินหลอยลงมามันก็กินมันไม่ได้อดอาหารหรอกมันเป็นเคล็ดลับแต่กบมมันไม่ได้บอกเราเรานี่เข้าใจว่าอุ้บสามเดือนไปขุดยังไม่ตายตัวอ้วนจริงๆเลยมไม่ใช่หรอกอย่างโยคีลือศีมุนีบําเพียนเนี่ยงดข้าวเป็นเดือนนี่ไม่ตายแต่คือทานน้ําทานอะไรได้อย่างกรมมันก็บอกว่าไม่ทานน้ําอันนี้ไม่ได้เพราะาน้ําค้างลงมาตามใย ห, หรือตามเส้นเย็นยาที่ตามรูมันก็เลียกินได้นั่นแหละ <c oughs> เป็นอย่างนั้น มันเป็นเคล็ดลับมันเป็นนั่นบบอยู่อาจารย์ะ <c oughs> คะ <c oughs> แล้วถ้าว่ามีตบาสูงสูงเนี่ยประโยชน์ของมันางคะตบาสูงสก็ถือทำให้เราสงบเงียบได้ทำให้สุขุมได้ดทุนได้เวลาเจออุปสรรคเจอปัญหาแต่ถ้าทงกันข้ามกับว่าสงบไม่คือมันไม่สงบนะมันไม่มีตบ่านะคนไม่มีตบา่ามันไม่มีความสงบไม่มีความอดทนนะแค่อดอาหารเย็นเนี่ยมันก็อดไม่ได้ละ ว, วงคนนี่อ อ, อดไม่ได้ไม่ใช่เงียบอย่างเดียวนะบางคนก็ต่อต้านภายใน จ, ใจิตใจบางคนก็โวยวายออกมาทางวาจาจนกระทั่งคนข้างบ้านลาคาญตีกันกันกบครอบครัวก็ได้ใช่ไหมนี่คือยกตัวอย่างแต่ถ้าเขามีตะบะสูงเนี่ยแม่สะดุดตอไม้เดินเหนื่อยนิดนึ่งหมดอาหารนิดหน่อยเงินไม่ใชเ้เงินเดือนไม่ขึ้นมันก็พอรับได้ไงอะไรอย่างนี้ไนหะเจออุปสรรคอของชีวิตแฟนมันทิ้งไปหรือว่า มันมีกิ๊กมันก็พอรับได้ไงอย่างน้อยเราก็ยังมีทุนคือเป็นใจอยู่ไงยังเหลือเท่าเดิมอยู่อะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดความเข้าใจยิ่งประกอบมีตะบะด้วยมีความอดกัน้นอดทนสูงด้วยมีความเข้าออกเข้าใ จ, จต่างๆด้วยมีปัญญาด้วยนี่บวกกันประสมผสารชีวิตของเรารับรองเลยมีความสุขแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าคนที่ไม่มีตะบะไม่มีความอดกัน้นอดทนไม่เคยฝึกเคยฝนมาก่อนนี่เจอเล็กๆน้อยๆ น, ยนี่ก็ไม่ไหวแล้วมันก็ ไปบ่างว่าหนาวไปสูงไปเหนื่อยไปมันลําบากไปอ้าวก็เหมือนเข้าหลักกบุรุษเจ้าขี้เหกียดขี้คาดขี้ดีขี้ชมไงประมาณนั้นนะทอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จพอจะสําเร็จก็พังเะ ก, ก่อนอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ทางวาจาใช้ชีวิตยอยู่กับสังคมมันก็กระทบกับสังคมด้วยชอบพูดจาผงผางโป้งป้งางด่าทอคนนั้นดา่าทอคนนั้นทะเลาะ ก, กับคนนั้นตีออ ก, กับคนนั้นทะเลาะ ก, กับมือถือตัวเองอะไรหลายๆอย่างมีหมดนั่นแหละมันก็กลายเป็นว่ากิตใจของเราทํา ทำงานที่มันไร้สาระมากเกินไปมันก็เลยไม่เป็นสมาธิไม่ปไมปไม่มีความสุ ข, ขุมไม่มีความทุนครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าไม่ไม่ทุนอ่ า, าจิตใจมันมาทุนพ่อสร้างใ น, นกรแลนนี้เปิดเปืองนู่นเลยประมาณนั้นพอเสือกรแลนนี้เปิดเปลืองยุคเดียวกระหยานยุคประศากกระไรยุคคนเดียวก็ ว, ากาากก ว, ว่าไรยุคยววยต้องอาศใายครูบาอาจารย์อะไรเพราะมันมาทุนถ้าทุนแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในค่ําคืนหนึ่งคนเดียวนะคืนนั้นน่ะเป็นคืนมหาสจรย์ ถ้าเราตื่นรู้แล้วนะจะอยู่ได้แล้วก็ตื่นรู้เนี่ยทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาในใจของเราเนะี่ยเพราะใจของเราเนี่ยมันเป็นวัดอืวัดที่ใจเนะี่ยวัดยังไงเพราะทุกอย่างมันเกิดที่ใจระดับที่ใจใตรักก็ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่ได้ใจของใครใจของเราข อ, ของตัวเองนี่แหละนั่นแหละเราก็ตั้งสังเกตได้ถ้าเราเราไม่มีความอดกัน้นอดทนไม่มีความภาคเพียรวิริยะไม่มีความจิตติวิมังสาไม่มีสมาธิไม่มีมีตบานนะพอคิดอะไรก็กล่าวโทษมันไง ต่อต้านมันแม่แมึงคิดจังหวะทามันไม่ไมสงบถ้าถ้าถ้าเราบอกว่ามันคิดมาเดี๋ยวมีแต่คิดแต่คิดอยากจะทําให้สงบพุโทโธเท่าไหร่ก็ไม่สงบอมเขาเรียกว่าติดสงบก็เหมือนกันนะมันก็มีเหมือนกันนะเขาเรียกว่านักนิยมความสงบมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่าจิตแจขงเราธรรมชาติแล้วมันก็ <c oughs> เหมือนมาหาสมุทรน่นะมาหาสมุทรก็คือมันไม่เคยปรศจากะคลื่นแล้วล่อคลื่นนั่นเองเหมือนนางดอกฟ้าก็ไม่เคยประสาก เราลอกเมฆหรือหมอกเมฆนั่นเองใจของคนเราก็เหมือนกันไม่เคยประจากษ์ปร ล, ลอกคิดนั่นคือความคิดจริงเป็นเรื่องธรรมดาเรามีต่บะหรือมีปัญญามีความสุขุมมีความสงบมีความเป็นศีลสมาธิปัญญาพร้อมเพียงบีหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าถึงจะสงบใจถ้าไม่งั้นก็กล่าวโทษแล้ววิ่งหนีวิ่งห น, งนีความคิดนะ่ะวิ่งหนีความคิดทํายังไงกินยานอนหลับไปเลยถ้กินยานอ น, ม น, น, อนไม่หลับก็ฝึกทําฌานทําฌานก็คือเป็นนักแอนตี้ความคิดอยู่แล้วในตัว เพราะถ้าถ้ามีความคิดสแสดงว่าไม่ดีแล้วสแสดงว่าเราฟุงา้งซ่านบางทีเราเต็มไปด้วยความตัดสินและกล่าวโทษแล้วก็แบ่งฝ่ายไงว่าเช่นว่าเราไม่คิดเราสงบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีความคิดสแสดงว่าฟุงา้งซ่านเราเราให้ค่าตรงนี้มากเกินไป <c oughs> วันไหนฝ น, นไม่ตกดาวเต็มฟ้าน่า จ, จะดีกว่าวันฝนตกนะอะไรเงี้ยถ้าฝนไม่ตกมันก็ตายพอดีเลยเนาะต้นะ <c oughs> ตนไม้ก็ไม่ได้ออกหรอกดังนั้นฝนตกก็เรื่องธรรมชาติ ฟ้าแจ่มกระจ่างก็เรื่องธรรมชาติได้ไหมอะไรเงี้นะเป็นสมาธิก็เป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่เป็นสมาธิก็ทําให้เราฟุ้งซ่านเอออย่าอย่าคิดว่าเป็นเราสิให้มองว่าเป็นแค่อารมณ์หนึ่งๆที่เหมือนหมอกเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าอแทนที่จะมองว่ามันเป็นศัตรูเราดีไซน์เคลศัตรูตัวนี้ได้ไหมดีไซเคลให้กลายเป็นปัญญาทําให้เราเข้มแข็งได้ไหมนักรบถ้าไม่มีถ้าเป็นนักรบที่ไปลบกับหุูฟังมันจะเก่งได้อย่างไรใช่ไหม <c oughs> นักรบถ้าเก่งอยู่ในที่ในวังอย่างเดียวไม่ออกจากรั้ววังจะเป็นนักรบที่แก่งกล้าและมีความเข้าใอกเข้าใจศัตรูได้อย่างไรนักรบต้องผ่านศึกสงครามจริงๆจังๆไม่ใช่ขี้โม้ไม่ใช่สมรักเนาะคล้ายๆนักภาวนานี่ก็ไม่ได้แค่อ่านในตำราแล้วก็แบงมาแล้วก็มาพูด แล้วก็คือต้องผ่านประสบการณ์จริงจริงผ่านสนามจริงจริงอะไรพวกนี้แล้วก็อย่าไปมองว่าอย่ากล่าวโทษตนเองอะไรเงี้ยอย่าคิดว่าไอ้ความความคิดความฟงสั้นกิเลสตัณหาสาหโหดเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายโดยตรงมันเป็นเป็นซาตานมากร้ายอย่างเงี้วถ้ามีมันร้ายถ้าไม่มีเช่นเดียวกันถ้าไม่มีพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี่ยวไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีงานปิ้งชลาก็ไม่มีครับเออมันเป็นเป็นสิ่งสัมพันธ์กันนั้นมาไอ้กิเลสราคะโทสะโมหะจึงเป็นสิ่งที่ดีในแง่หนึ่ง <c oughs> เป็นสิ่งที่เร็วในแย่หนึง่งในในมิติหนึ่งนท่านั้นเองแต่สุดท้ายกิเลสทุกตัวกลายเป็นโพธิอืจะทําให้เราไปสู่โพธิไปสู่ดอกบัวที่แท้จริงเหมือนคนตมทําให้บัวงามอย่างนั้น <c oughs> ถ้าเรามองนี้ด้วยสายตากล่าวโทษแล้หลีกเลี่ยงมันเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่แก่งมันก็ไม่รู้อะไร <c oughs> <c oughs> ผู้ทีเจ้านี้เหมือนกับดอกบัวไงว่า <c oughs> <c oughs> ตาสงสารหรือโลกไงก็คือเหมือนกับอคนตมถ้าเรา ภาวนาแบบแอนตี้มันีโอมันก็ทําให้เราอ่อนแอแทนที่จะแทนที่จะเราเข้มแข็งกับทําให้เราอ่อนแอถ้าเรามัวแต่หนีอารมณ์วิ่นะงหนีอารมณ์นะวิ่งหนีป่าวิ่งหนีวิถีของครูบาอาจารย์นะ พ, พิสูจน์ทดลอมนักวิจัยอะไรนีน้ผู้ภาวนาก็เหมือนนักวิจัยเราก็กลายเป็นคนอ่อนแอเจอนี้เจอหน่อยก็งองแงแพ้พ่ายห <c oughs> นี้ที่เด่นหน่อยก็ไม่ได้แม้แต่ความคิดเมกหมอกเพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้แอนตี้ต่อต้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มนุษย์ไม่สามารถที่จะมีอำนาจมหาศาลแบบพระเจ้าที่จะไปต่อต้านเหล่านี้ได้เนมนุษย์ก็ต้องคิดธรรมดาความคิดก็แค่แค่้วผ่านมา <c oughs> ถ้าเราภาวนาเข้าใจแล้วแปลว่าเป็นใจอันยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นใจที่ไร้ใจเป็นใจที่เดิมเดิมแท้แท้จะหวัดหวันแม้แพงความคิดเพียงเล็กน้อยเหมือนมหาสมุทรไม่หวัดหวันต่อ ล, ลอกคลื่นไงอ <c oughs> ก็จะเป็นการภาวนาแบบต่อต้านหรือบล็อกหรือกัน้นแบบที่พูดเมื่อคืน <c oughs> แค่เป็นภาวนาแบบตื่นรู้และยอมรับความจริงและเรียนรู้ความจริงจากมัน และสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเข้มแข็งแทนที่จะเป็นโทษอย่างเดียวอย่ามองกิเลสราคาโทสะโมหะด้วยสายตาแบบกล่าวโทษแต่ตรงมองแบบใส่กร้อยมองในหลายมิติหลายๆมุม <c oughs> สิ่งที่น่ารักก็ซ่อนความน่าเกลียดสิ่งที่น่าเกลียดซ่อนความน่ารักสิ่งที่แย่ือซ่อนสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นมีด้วยด้วยเหมือนกันเห <c oughs> มือนความลําบากทําให้เราเข้มแข็งได้ความพัดภาคทําให้เรามีปัญญาได้นะนางมระจาจรา <c oughs> อะไรประมาณนะความแก่เก็บตายทําให้พุทธเจ้าออกแสดงธรรมไงถ้าไม่มีความแก่เก็บตายนะพระพุทธเจ้าก็ไปออกแสดงธรรมมันมนุษย์เรามีความคิดชั่วร้ายก็ถือว่าเป็นสีสันให้เราที่จะสร้างโพธิขึ้นมาเพื่อจะให้รู้แจ้งนั้นมองมุมหนึ่งว่ากิเลสในใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ในมิติหนึ่งแต่ในที่สุดมันก็จะกลายเป็นสู่ความเป็นจริงจริงๆกิเลสก็คือความจริงเ <c oughs> มือนเซนกัยังบอกว่ากิเลสราคะโทสะคือโพธิเมื่อในที่สุดเมื่อไปสุด S <S <an> กิเลสมันไม่มีสาระไงอย่างราคะก็สุดท้ายก็ ม, มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรไม่มีกันสารเลยโทสะมองลงไปในจิตใจลวลนเรา โ, รโกรธสังเกตดูมันไม่มีสาระสุดท้ายมันจบเหมือนพายุทอร์นาโ ด, โดไงเออมันก็หาตัวตนไม่เจอมหายไปไหนก็ไม่รู้แต่รู้แน่ว่าเกิดที่ใจแล้วมันดับที่ใจความรักความชังก็เหมือนกันเกิดที่ใจระดับในใจ <c oughs> ไม่มีอะไรมีสาระแกัญชาจริงๆยงจังถ้าเราคอยสังเกตอยู่อย่างนี้นะเราจะเกิดความเข้าใจกียรตราคะโทสะโมหะ โมหะเวลาเรารุ่มหลงยึดติดยึดมั่นจริงจังกับศีลกับพจนกับวัดอะไรมากเกินไปเนี่ยนะมันก็จะผ่อนคลายในยุคหนึ่งบางทีมันจริงจังในยุคหนึ่งสมบัติเทเมาเห็นเนียเห็นในสิ่ ง, ส, งสิ่งหนึ่งใ น, ในคนคนหนึ่งมันบางยุคเห็นเขานั่งบางยุคเห็นเขาเดินบางยุคเห็นเขาสมบัติเทมาสิ่งที่งหนึ่งเป็นได้หลายอย่างดังนั้นอย่ามองแบบสรุปเวลาเรามองกิเลสในใจของเราก็อย่ามองป้ายหัวมันหรือประทับหัวหรือประทับตาหรือพิมพ์ลงไปว่าแก่ไม่ดีหรือเป็นซาตาน ทีนี้มันมันก็มีหลายมิติไงนีมันเราเห็นแมงองอแงกอ็อย่าอย่าฟั่มว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นงองแงตลอดไปเวลามันเป็นอวาตารเป็นยุงนี่เดี๋ยวยุงก็ตายไปก็ว่างเปล่าสุดท้ายเห <c oughs> มือนคนดีก็คือคนชั่วคนชั่วก็คือคนดีเหมือนนอนก็คือผีเสื้อผีเสื้อก็คือหนอนสุดท้ายนอนกับผีเสื้อไม่มีคือว่างเปล่าเหมือนคนดีสุดท้ายก็ไม่มีคนดีคนชั่วก็ไม่มีคนชั่วจรๆๆจิงจังมันเป็นชั่วแค่ <c oughs> แค่ช่วงข้งช่วงข่าวประเดี๋ยวประดาเขาเรียกว่าแค่เป็นช่วงการดำลงอยู่ช่วงชั่วคราวเหมือนความหนุ่มความสาวดำลงอยู่ชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็ดำลงอยู่ชั่วคราวแค่ช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราตระหนักรู้อย่างนี้เราก็จะไม่กล่าวโทษสิ่งใดเมื่อเห็นคนเมาเดินผ่านมาก็ไม่กล่าวโทษปั๊มหัวว่าแก่ไม่ดีในมิติอื่นเขาบางคนอาจเป็นผ้ารานก็ได้นะอย่างเห็นคนกําลังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือฆ่าคนฆ่าไล่เหมือนองค์คุณิมารยกตัวอย่าง ในมิตินั้นเป็นอย่างนั้นแต่อีกมิติหนึ่งกลายเป็นพราะราหานเห็นไม้มในประวัติก็ในพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันดังนั้นเราเรามองจงมองแบบพุท ธ, ธมองพุท ธ, ธะแบบพุท ธ, ธะก็หมายถึงว่าเราไม่มองแบบตัดสินมองแบบครอบคุมมองแบบทะลุทีนี้เราก็จะไม่ตัดสินคู่คนอาจารย์อธิบายคําว่าท้องฟ้าแห่งใจกับการตื่นรู้เกี่ยวกับธรรมะท้องฟ้าแห่งใจนี้หมายถึง เป็นคำธรรมอุปมาอุปไมาใหก็ต้องเข้าใจคําว่าอุปมาอุปไมาใหมให้ได้ <c oughs> เปรียบใจของเราเปรียบดังท้องฟ้าเปรียบดังท้องฟ้านี่แหละ <c oughs> ทองฟ้าก็ที่ว่างก็คือที่ว่างอัดกว้างใหญ่ไพศาลอุปมาดังใจใจคนเราก็เป็นที่ว่างอันกว้างใหญ่ไพศาล <c oughs> ดวงดาวนี่ก็เหมือนหนึ่งความคิดจุดหยิมหยิมเมฆหมอกดําขาวสีจุลภูก็เหมือนความรักความเกลียดความชังความดีความชั่วนี่แหละต้องเป็นอย่างนั้น แต่ใจนี้ก็เหมือนท้องฟ้าท้องฟ้าก็เป็นที่ว่างโล่ลงๆทุกอย่างก็เป็นแค่สิ่งโคจรเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาในท้องฟ้าแล้วก็เกิดดับอยู่ในนี้กระบวนการเป็นอนิจจังทุกขังรัตตาธรรมวิตาธรรม ร, รมิยามตาอิทธพยาสุนิตา ต, ตาตถตาจะเกิดขึ้นอยู่ในท้องฟ้าที่ปลายขอบเขตแบบนี้เช่นเดียวกับเรื่องสุขทุกข์ดีชั่วต่างๆความคิดดีคิดชั่วความดีใจเสียใจความรักความชังรักโลกคนหลงก็เกิดดับที่ใจของเราในนห้เง แต่ใจของเราไม่ใช่เป็นรักโลภโกรธหลงเพราะฉนั้นรักโลภโกรธหลงนี่จึงเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาในในในใจของเราอีกทีนึ่แม้แต่ความคิดดีคิดชั่วก็ยังไม่ใช่ใจแต่เป็นล้วลอกขึ้นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปรากฏการณ์ที่จะสะท้อนขึ้นมาในกาละนั้นในในในช่วงนั้น <c oughs> การตื่นรู้ก็เอามาสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันของเราเมื่อทุกคนทุกคนก็มีใจอยู่แล้วเวลาตื่นรู้อนี้อะไรเกิดขึ้นมาสะท้อนขึ้นมาในใจในอกในใจของเรา ในอกนี่มันเหมือนกายภาพแต่ในใจนี่มันพูดถึงเรื่องเรื่องที่มันเป็นนามธรรมเรื่องที่มันไม่มีตัวตนมองไม่เห็นแต่รู้สึกเอาเองเวลาเราโกรธเรารู้สึกได้เวลาเราทุกข์เรารู้สึกได้เวลาเรารักมีความลักเรารู้สึกได้เวลาความลักจากหายไปเรารู้สึกได้เวลาความโกรธมันดับลงไปเรารู้สึกได้นี่คือใจแต่ใจก็ไม่ใช่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไป ใจคือการตื่นรู้การสังเกตการเรียนรู้เปสติสมัญญะก็ม่เป็นตัวตนอะไรเป็นแค่ควาหมายเป็นแค่ชื่อที่เรียกลักษณะของใจที่มีตนอยางลตืล่นรู้ประกระอบด้วยสติสมัญญะประกอบด้วยกันติบารมีลหลายๆอย่างเล ย, ยนะมีทั้งความเมตตากรุณามุติตาวเบขาอยู่ในนั้นเบ็ดเส็จเลยมีทั้งความภาคเพลยนความหยดจอ่อมีความผ่อนคลายมีความสุขอยู่ในนั้นหมดเลยๆๆ แต่มันไม่ใช่เป็นสุขที่รอดผนแบบสุขแบบเสพกามหรือสุขแบบดูหนังดูละครหรือสุขตื่นเต้นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่สุขแบบนั้นทีนี้พวกนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลที่สะท้อนขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในใจของเราอริงจริงการตื่นรู้ในในใจของเราก็คือสังเกตดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแต่แต่อย่าไปต่อต้านอย่าไปตัดสินอย่าอย่าต่อต้านอย่าตัดสินอย่าพิภากษาอย่างที่ว่าอย่าไปเอาเอาแม่พิมพ์ไปปั๊มหัวว่าแกไม่ดีแต่ ให้สังเกตด้วยด้วยปัญญาอันนี้ปัญญาต้องมาช่วยเนื่องจากนอกจากศีลอาศัยศีลคือความปกติของกายวาจาใจ <c oughs> สมาธิต้องมีความตั้งมั่นมีความตั้งมั่นประกอบด้วยความขันติบารมีความโอดกลั้นอดทนประกอบไปด้วยมีต่บะไปด้วยที่ว่าพิติตรามแล้วก็บวกปัญญาต่อมันทํางานร่วมกันมีปัญญาก็คือต้องเข้าใจแบบครอบคุมเข้าใจว่าอย่างเช่นว่าเห็นหญิงงามเดินมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าหญิงงามนี่สามารถอวาตานเป็นหญิงฉลาได้ เห็นแมงง้งแง่งสามารถที่เข้าใจว่ามันเป็นเพียงมันเป็นแมงง้งแง่งเป็นมิติหนึ่งในท้ายมันก็กลายเป็นยุงได้ซึ่งแมงง้องแง่งจริงไม่สามารถตีกรอบว่าแมงง้องง่เป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าให้เด็กเด็กสี่ขวบแมงง้องแง่ก็ต้องแมงง้องแง่งถ้าเราผู้ใหญ่บอกว่านี่แมงง้องแง่งกับยุงตัวนี้ก็แบบเดียวกันเพียงแต่ว่ามันค่อยๆแปลไปสภาพไปหรือว่าตามอายุไขที่มันเปลี่ยนอวตารไปมันผู้ใหญ่เข้าใจง่ายแต่เด็กสี่ขวบยอะยากที่จะเข้าใจ เดียวกันใเวลานักภาวนานี่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ละเอียดอ่อนเนี่ยปัญญาไม่มีนี่ไอ้ไอ้สุกก็สุกสิทุก็ทุกสิมันคนละอันกันดีก็ดีสิชั่วก็ชั่วดิมันก็เลยไปปั๊มหัวมันเลยนั้นซาตานจริงเป็นซาตานตลอดไม่มีสิทธิ์ที่จะงอกเกยเป็นพุทธะได้หญิงงามก็เป็นหญิงงามหญิงชราก็เป็คนละคด้านไปแต่งงานกับหญิงงามแต่ในที่สุดยืนจนหญิจูงหญิงงามเข้าหอวังหอไปสุดท้ายจูงหญิงชราไปด้วยในตัวของมันเอง แล้รับยอดดอกไม้สดก็เท่ากับดอกรับยอดดอกไม้เหี่ยวมาด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันและเรื่องทั้งหมดทั้งมวลทุกกาลทุกเทศาทุกทุกมิติที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่ที่เกิดขึ้นในใจที่ใจเรารับรู้นี่นะมันไม่มีอะไรสุดท้ายมันว่างเปล่าว่างเปล่าจากความเป็นจริงๆของมันจากอย่างนี้เป็นความสวยเป็นความน่าเกลียดเป็นความงามเป็นความสุขเป็นความทุกข์อะไรอย่างนี้นะมันว่างเปล่าจากอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างแมวนของแหวก็ไม่ใช่มีไม่มีแหวนของแหวไม่มียุง มันเป็นว่างเปล่าที่ว่าปรากฏว่าเป็นยุงเป็นแมงมุมแย่งเนี่ยเป็นแค่การละการละหนึ่งเพศะหนึ่งมิติหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ลวงตาเพราะอย่างว่าทำต้องกวงทิ่เป็นมายาธรรมที่เราเห็นเป็นมายาหมดเลยอย่างที่ว่าปรากฏเป็นดวงดาวเป็นน่นเป็นนี่เป็นชื่อน่ะเป็นมายาหมดเลยจริงมันไม่มีอะไรแล้วปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากกระแสเหตุปัจจัยอย่างเช่นควันไฟเนี่ยมาจากไหนไล่ไปกันเรื่อยมาจากปืนมาจากไฟมาจากเหตุปัจจัยอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เ้าเรียกว่าสิ่งที่เราเห็น ล้วนแต่กระแสเหตุปัจจัยกระแสเ่านีเป็นมายาธรรมเปลี่ยนแปลงทุกขณะละว่างเปล่า <c oughs> อะไรประมาณนั้น <c oughs> อย่างอาจารย์เนี่ยส่วนผสมเยอะมากเลยเหมือนกอนไฟนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไร <c oughs> ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ก็เพราะภาพที่เห็นก็เป็นอาจารย์ อ, อย่างเหมือนเราเวลาเรามีความสุขในใจก็เรียกว่าความสุขแต่พอความสุขเอาวาตานเป็นความทุกข์ก็เรียกว่าความทุกข์แต่เราตามระตามไม่ทันไม่มีปัญญาก็จะวงเล็บว่าสุขต่างหากทุกข์ต่างหากนี่ไหนได้มันเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนหญิงงามกับหญิงฉชลารแม้งยังกับ <c oughs> ยุ่งเป็นตัวเดียวกันตัวนอนกับยีเสื้อตัวเดียวกัน แล้วก็มองให้ทะลุทั้งงามและลาเกียรมองทะลุทั้งสุขและทุกข์มองทะลุทั้งดีและแย่ให้ให้ถึงสุดยอดของปลายสุดของธรรมเหล่ า, านี้คืออะไรตอนนอกอย่างนั้นก็ผู้ที่จ่าก็แสดงไว้เยอะแล้วคือมหาสุ ญ, ญีตาคือทำทั้งวงเป็นอนัตตาสุ ญ, ญีตาไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่างกันเลยสัพเพธรรมะอนาตาัตตาไปรวมตรงนั้นเลยสัพเพธรรมาอนัตตาแม้แต่นิพพานก็อนัตตาไม่มีความมาแห่งความเป็นตัวตนหรือว่าเป็นอัตตาอีโก้อะไรทั้งสิ้นเลย ทำทั้งวงในหมายถึงทั้งดีทั้งแย่นะทั้งสุขทั้งู้ทั้งหญิงงามและหญิงชร่าทั้งพระจันทร์เต็มดวงทั้งพระจันทร์เสี้ยวทั้งบวกทั้งลดทั้งลาบยอดเสริมทั้งสวรรค์นรกทั้งมารซาตานพุทธะรวมกันหมดเลยไม่มีมารไม่มีตาซาตานไม่มีพุทธะแล้วตรงนั้นเราอยากจะลดอัตราตัวตนเราลงผันคายลงมาสู่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยพอมาจะหนักรู้มาตื่นรู้นี่ก็คือ ก็คือเราอยู่ในรูปแบบไหนก็ได้ที่นี่ไม่ได้จํากัดวงเล็บว่าเป็นนักบวชหรือว่าเป็นนักบุญหรือว่าเป็นนักสแสวงหาโมฆะธรรมอย่างเดียวละคุณเป็นกระเทยก็ได้สามารถตื่นรู้ได้คุณเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้หมดเลยคุณเป็นไทยกินฝรั่งแขกก็ทําได้หมดไม่ไม่วงเล็บตี ก, ก่อบว่าเป็นคนไทยหรือชาวพุทธอย่างเดียวต่อให้คุณเป็นชาวพุทธคิดอิสลามก็ได้แต่คุณนั้นเป็นแค่เปลือกนอกภายนอกใฉยๆไม่ทะเลาะกันสามารถตืรู้ได้ตื่นรู้ก็ไม่ ไ, ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนและไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนคือตื่นรู้ภายในใจของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรือความคิดเล็กน้อยเนี่ยตื่นรู้ว่าเอออะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งหนึ่งที่มันปรุงแต่งกันแล้วได้เหตุปัจจัยพร้อมมันก็สะท้อนขึ้นมาเหมือนไฟเหมือนควันไฟเหมือนต้นสนเหมือนดวงดาวเหมือนท้องฟ้าแจีงมาจางเหมือนขณะนี้เหมือนเรื่องราวขณะนี้ท่านเหตุปัจจัยมันปรากฏขึ้นข้ารับทราบไปอย่าต่อต้านมันอย่าเข้าไปมีอัตราตัวตนเข้าไปแทรกแซงเข้าไป หวงไปห้ามไปให้ความคิดเห็นไม่ต้องใช้ความคิดแค่รู้ก็แค่รู้เห็นก็แค่เห็นรับทราบไปตามเีตตามไปแล้วมันจะผ่านไปแตกๆๆๆหมายถึงว่ามันเป็นมิติแต่และมิติแต่และโครงสร้างเวลามาปรากฏตรงนี้มันก็เป็นตรงนี้ก็ยอมรับมันไปเมื่อคืนก็อยู่ตรงนูน้นก็เป็นตรงนั้นก็ยอมรับมันไปเท่านั้นเองเวลาอยู่กรุงเทพก็แค่เป็นรกรุงเทพแต่พวกนี้มันไหวมากเลยอือันนี้พูดถึงโครงสร้างทางกายภาพทางรูปแบบทางวัตถุแต่ทั้งภายในจิตใจนี่มันวุ่นวาแต่อย่าไปสน อย่าไปสนใจหรือถือสากับเรื่องวุ่ววววอะไรจะเกิดก็แค่มันเกิดเท่านั้นเองเพราะเราไม่ได้ตีกรอบหรือปั้มหัวว่าดีหรือชั่วแล้วไงพอเราไม่ปั้มหัวดีและชั่วแล้วเราก็ไม่เลือกไงอะไรเกิดมาก็เออเช่นนี้เองก็ได้แต่ไม่ต้องไปพูดเช่นนั้นเองเนี่ยไ ม, ไม่มันจะเป็นเช่นนั้นเองตทุกอ่นมันเป็นภาระภา ร, ระที่ต้องเอ่ยนามจงตระหนักรู้และตื่นรู้ทุกปรากฏการณ์ในใจใที่ท้องฟ้าแห่งใจของเราโดยไม่เอ่ยนาม ถ้าถ้าเป็นจอมยุทธก็ไปไหนไม่ถือกระบีกระบีของท่านอยู่ไหนไ ม, ไม่ไม่มีถ้าเหมือนกับชาวชาวจีนถามท่านตักโมว่าพระไตรปิฎกเขาท่านางไงไม่ได้เอาบาว <c oughs> สุดท้ายไม่ได้ไม่มีบางก็รับไม่ได้ชาวจีนเพราะติดในพิธีกรรมไงติดในรูปแบบโอ้ย <c oughs> อันนี้บ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาเมาส์พระไตรปิฎกมาจะเป็นพระผู้ผู้จะเผยแพร่พุทธศาสนาได้ยังไงเขาก็ไม่เชื่อถือ ล้ทีนี้ท่านก็เปนั่งอยู่ในถ้ำเ9้าปีอ่าก็เห็นคนเห็นภาพเห็นเข้าซึงถึงตรงนี้หรือเข้าใจตรงนี้หรือว่าคนที่สัมผัสได้เขาก็ไปเป็นขอนเป็นสิบไงเป็นแค่คนตรงก น, นกันกระถ่ายทอดแค่นั้นน่ะไม่ได้เป็นหมื่นเป็นพันสักหน่อย <ừ> คนชาวจีนเป็นหมื่นเป็นพันก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่ามันติดในรูปแบบไงแต่รูปแบบก็คือขวางกั้นสัา ธ, ธรรมที่แท้จริง พอเราตื่นรู้ตรงนี้ก็คือสังเกตดูเท่านั้นเองเรามาอยู่ตรงนี้ก็สังเกตรตรงนี้ตื่นรู้ตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นภาระอะไรนักหนาหรอกนะเพราะว่ามันไม่ใช่มาเป็นตามข้อสอบไปเลยหรอกแค่ อ, อะไรเกิดก็มาเกิดประมาณนั้นถ้าพูดง่ายง่ายแบบพูดเหมือ น, นไม่รับผิดชอบอะไรเลย <laughs> <c oughs> <c oughs> อะไรเว่าเออมันก็จริงๆริมันทาไม่ได้มันแก้ไขอะไรไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะพระอจันจะจัน ด, ดวง ดวงดาวจะรับขอบฟ้ามันก็เรื่องธรรมชาติดอกไม้จะบานไฟไมมจะไหมป่าในพันธุ์จะลาสัตว์มันก็เรื่องธรรมชาติเราไปควบคุนรักษาอะไรที่ไหนเราไม่ใช่พระเจ้ามันต้องพระเจ้าจะทำไม่ได้ฮช่นั้นนักภาวนาก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างและเข้าใจความเป็นจริงของมันที่เป็นไปอย่างเช่นว่าความเป็นอนิจจังมันเป็นอนิจจังอยู่แล้วก็มันมันแปรสภาพไปก็ต้องยอมรับมันไปนอนมันจะกลายเป็นบีเสื้อก็ยอมรับความงดงามเห็นไหมงดงามที่แตกต่าง ตอเป็นหนอนก็น่ารักบางคนก็ขยะกขยแงใช่ไหมหลายมันมองได้หลายมิติได้หลายมุมได้หลายหลา ย, หลายกรอบแต่พอเป็นผีเสื้อก็ชอบแต่พอไปจับมันก็ขันอีกละผีเสื้อในความสวยงามก็มีความคันอยู่ในนั้นให้โทษอยู่นั้นแล้วก็มองทะลุไปไม่มีหนอนไม่มีผีเสื้อก็คือจริงๆที่ปรากฏว่าเป็นหนอนเป็นผีเสื้อเป็นแพรปรากฏการเป็นมายาจริงๆมันว่างเปล่ามันเป็นอนตาไงัย สัพเพ昙มาอนัตตาสัพเพ昙มานารังอภินิเวสยะเมื่อทุกสิ่งเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นตตาตัวตนแท้จริงเพราะมันเป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาไงทุกขตาอนัตตาธรรมะติตาธรรมะริยามตาอิทัะปิตาสุญญตาตถาตาอาตมเตาเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างตั้งอย่ชั่วคราวเป็นไปตามเหีปัจจัยอยู่หนึ่งนิดไม่มีใครควบคุมบังคับบัญชาได้บ้างเป่าจากตัวตนในที่สุดทุกรูปทุกนามทุกปรากฏการ์ ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งใกล้ทั้งใหญ่ั้งอนุอะตอมกำลังหมุนเวียนงเคว้งคว้า ง, า ง, างจริงๆมองว่าทุกอย่างมัเป็นมายาก็ได้เหมือนกันเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเหมือนรับหลอกลวงมายาหญิงงามอยู่ๆไกลกลายเปหญิงชรากิแรกก็ดูว่าเป็ น, นเจ้าหญิงแป๊บหนึ่งกลายเป็นแม่มดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรายอมรับความจริงก็ไม่มีปัญหาหรอกพอถ้ายอมรับความจริงเอาไว้เว่าเห็นสิ่งหนึ่งนี่ให้เห็นหลายๆมิติเอ ถ้าเห็นพระอาจารย์เต็มดวงก็เข้าใจส่วนเซี่ยวกับมันด้วยว่ามิติบางมิติมันก็เป็นพระอาจารย์เซี่ยวนะอย่างเราเกิดมาถ้าเรายอมรับนะยอมรับการเกิดแต่เราไม่ยอมรับการตายเราเราชื่นชมการการเกิดแต่เราต่อต้านการตายเราชื่นชมการได้ลาบยศสนเส ร, ริญแต่เราต่อต้านการเสรื่อมลาบเห็นไหมมาแบบสังเกตเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันเลือกไงพอเลือกปุ๊บเนี่ยพอมาเป็นนักภาวนาก็เลือกติดนิสัยที่เลือกพอสมาธิสงบหน่อยก็ชอบ แต่พอไม่สงบก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเงี่ยเหมือนคนไฟไปอยู่ตรงนู้นมันก็ไหลไปตามโกรธมันก็ไม่ได้ได้แค่เดินหนีเดินหนีมันก็ตามมาอีก <c oughs> ทําอะไรกับมันไ <c oughs> <c oughs> ด้เออเนละเวลาที่เรามาเดินทางมาเที่ยวได้สี่สี่ห้าวันเนี่ย <c oughs> จริงจงเราเดินมันก็เหนื่อยอย่างเดียวอะ เวทนาแต่ถ้านั่งอยู่เฉยมันไม่มีเวทนาอืมอย่างมากก็อาจจะปวดสายตาถ้านั่งอยู่กรุงเทพนะกดมือถือไงจิ้มจิมนู่น ด, ด, ด, ด, ด, ดูน่นดูนี่โลกแห่งมือถือไงไอก็เมื่อยสายตาเมื่อยมืออินแบจมแบทีก็้ก <c oughs> ็มันตากแตกต่างกับการเดินแต่พอมาเดินก็ปวดมือปวดเมือม่อยปวดขาก็เป็นธรรมชาติอืมธรรมดา <c oughs> แต่ทีนี้คือทุกอย่างมันผ่านไปหม แล้ว ก, การตื่นรู้ก็ตื่นรู้ใจของเรามันเป็นทองฟ้าแล้วเพียงแต่เราตื่นรู้แล้วก็สังเกตยอมรับทุกๆปรากกตการอย่าไปมัวนั่งขัดทองฟ้า <c oughs> พอทองฟ้ามันว่างเปล่าอยู่แล้วใจของเรามันว่างเปล่าอยู่แล้วปรากฏการต่างๆแค่สะท้อนขึ้นมาอย่างแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนละลอกขึ้นที่สะท้อนขึ้นมาในมหาสมุทรเราไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแต่เข้าใจความเป็นจริง เขาเรียกว่ามีสติสมัญญาตื่นรู้ตื่นรู้เป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตดู <S <S แล้วทําด้วยมีความสุขด้วยไม่ใช่ทําไปด้วยเศร้ามองไปด้วยแหมกูจะทํำยังไงกับจัดความคิดสนิดนี้ไปนั่นมันทําไปด้วยความกดดันนี่ตื่นรู้ไปด้วยนี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยตื่นรู้ไปด้วยมีความสุขไปด้วยทําไปด้วยความใจรักเหมือนเรามาที่นี่ก็ด้วยใจใจรักไงมันจะมีความสุขภาวนาแบบมีความสุขอะไรเกิดขึ้นมาก็ตื่นรู้แล้วก็มีความสุขกับมันแล้วมันก็ให้เห็นตามเป็นจริิงงเห็นตามป ไอ้ไอ้ที่มันมาให้เห็นนั่นน่ะปรากฏการน่ะถ้าใจของเราเฉยๆมันก็มี ม, มีมีอะไรมันมีความคิดมีความนึกมีความรู้สึกรู้สามีวิรูปเวทนาสัญญาสังญาทีนี้มีเวทนาเยอะปวดแข้งปวดขานั่งก็เออ อ้าวัญานั่งลงที่อีกคนหนึ่งนะคนนึ้นะอ้แอคชั่นให้ให้ให้เห็นชัดเจนเนอออาจารย์นั่งรู้เหมือนกันเราก็เปลี่ยนเหมือนกัน น, นะเออก็ตื่นรู้ตรงนั้นแหละมันก็จะเกิดขึ้นสังเกตดูมันไม่หนักนาสักกันหรอก <c oughs> เราก็ตื่นรู้ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้น สังเกตก็จรว่าการภาวนาเหมือนกันนั่งอยู่ที่ที่เกาะที่เกาะแห่งหนึ่งเราเห็นแล้วลอกขึ้นมันตีที่ผิวน้าอยากเข้าไปยุ่งกับมันจะไปแก้ไขแค่รับทราบรับทราบความเป็นจริงเวลาเดินเดินไปลื่นทรายปุ๊บความโกรธมันสะท้อนขึ้นมาด้วยนอกจากลื่นนะนะความโกรธบางคนไม่โกรธแม่นะ อ, อยู่ในใจไม่พูดออกมานะ อยู่ในใจต่อต้านอิจฉาต่อต้านไมายหัวเป็นซาตานไม่ดีอารมณ์ขุนเคืองขึ้นมาอยู่ภายใ น, ในเราเร า, เร า, เ, ราเราดูไม่ออกแต่รู้ชฉพาตัวนึง <c oughs> ก็ให้มันเกิดขึ้นมาการสังเกตดูการสังเกตก็คือซ้อนลงไปอีกหนึ่งคือการสังเกตมันไม่ใช่เป็นอารมณ์แต่เป็นตัวสติสัมปชัญะลงไปตัวปัญญาที่พิจรารณาให้เห็นตามเป็นจริง เห็นสิ่งนั้นนะเห็นที่สิ่งสิ่งที่สู่สังเกต์ตามเป็นสตาเป็นจริงเป็นยังไงเป็นจริงก็คือมันไม่มีอะไรพุช่าพูดตั้งนานแล้วความเป็นอันิีจังทุกสังตกต้าอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่มันเป็นจริงอย่างนี้มันไหลเหมือนกระแสนี่มันไหลผู้ใหา่มาเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ใช่เกิดขึ้นอะไรเพราะมันเดินมาอย่างนี้มันลื่นตรงนี้มันกระแทกอย่างนี้มันก็วุบเพราะเรามีข้อมูลก้อสารมีบัลลังมนูความคิดเรื่องราวต่างๆในจิตใจเราเป็นเป็นโกดังเป็นเป พอเหตุปริไดนี่นนนกกน เ, เกิดขึ้นมาปุ๊บอันมันก็ะสมกันนี่เกิดขึ้นมาเป็นความคิดเป็นความโกรธขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะมันมันถูกกฎธรรมชาติข้อม ง, งาอยู่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็วูบหายเหมือนแล้วลอกขึ้ น, น, นเหมือนเสียงสะท้อนจากความเงียบการสังเกตก็สังเกตตรงเนี้ยอะไรเกิดขึ้นมาก็สังเกตแต่อย่าไปหมายหัวมันอย่าไปวงเล็บและปั๊มหัวว่าเป็นสาตานเป็นหีลายเป็นดีเป็นชั่วไม่งั้นเราจะเลือกแต่ดีไม่เอาชั่ว พี ใ, ใจของเราก็จะผ่อนคลายในเรื่องการตื่นรู้ <c oughs> ไม่ไม่ถึงกับต้องไปเลือกอะไรต่างๆฝึกฝนหรือว่าสังเกตดูเนื้อลักษณะมันเป็นการฝึกตะบะในตัวฝึกตะบะในตัวเป็นการฝึกซ้อมอยู่ในตัวเป็นการฝึกสังเกตอยู่ในตัววันหนึ่งจะเป็นการหนักรู้อย่างสงบเงียบ ด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ด้วยตัวเราเอง <c oughs> ไม่มีความหมายว่าจะแข่งขันกับใครหรือว่าจะไปบวดไปอ้างอะไรหรือจะได้อะไรเพื่ออะไรเพื่อลาบยศส่วนเสริมเพื่ออิทธิพลปฏิหารเพื่อเกิดหน้าชาติหน้าฟ้าใหม่จะได้เป็นเทวดาหรือเข้าสูนาน่นิพพานแม้ในนิพพานก็ไม่ไม่ต้องไปกังวล <c oughs> ความสงบเงียบในปัจจุบันในขณะนี้ที่ ใจของเราไม่ต่อต hmm. ้านปรากฏการณ์ต่างๆที่อยู่แวดล้อมเราเนี่ยปรากฏการณ์ที่อยู่แวดล้อมเราเมื่อเรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยลำแข้งเราเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ไม่ต่อต้านมันไม่ยึดติดมันก็ปล่อยมันยืนเป็นปวดขากับปวดขาไปเดินเมื่อยก็เมื่อยไปหนาวก็หนาวไปไม่บ่นไม่ว่าไม่โกรธไม่เกลียดมันแต่ใหม่ใม่อาจจะโกรธจะเกลียดก็จะว่าอยู่ในใจแต่ก็ยอมรับมันไปก็ตื่นรู้มันไปตื่นรู้อารมณ์อยู่ภายในวันหนึ่งมันจะยืนด้วยสงบเงียบแล้วก็ปวดก็เห็นความปวดชัดเจนเห็นความหนาวชัดเจนแต่ไม่โวยวาย ไม่ไม่ไม่ไม่ไปถือสาเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีไม่ถือสาอารมณ์ภายในใจไม่ถือสาพิจนาแต่ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกนี่มันถือสานะถือสาต่อต้านให้กูมาทํมไมวะเนี้ทั้งเหนื่อยทั้งพียทั้งหนักโหสารพัดเลยเ่เหมือนทหารไงหลวมตัวมาแล้วก็ย่องยอมรับ การตื่นรู้ก็คือตื่นรู้สิ่งเหล่านี้แหละที่เกิดในใจของเราวันหนึ่งเราจะไม่ต่อต้านสิ่งเหล่านี้ไม่ต่อต้านปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันในใจของเราเองชีวิตก็คือใจใจก็คือชีวิตใจนี่มันมีชีวิตเรามีใจนี่เรามีชีวิตมันเกิดขึ้นในชีวิตในในใจของเราเนี่ความสุขความทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารหนาวร้อนอ่อนแข็งนี่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยก็ให้ตระหนักรู้วันหนึ่งมันจะตระหนักรู้ผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงสงบลงไม่ต่อต้านไม่ขู่สา ไม่แอนตี้ไม่วิ่งหนีมันจะสุขคุมและผ่อนคลายลงครูบาอาจารย์สายอีสามจริงบอกว่าใจสงบแล้วก็ทุนมันทุนมันอดทนได้มันทุนโคตรเตะหิ น, น, น, น, นหปุ๊บหลดที่แรกก็โคตรแม่มันแค่ไหนเหมือนทีพ่พ่อใหญ่จ่อยแกขึ้นมาเมื่อแปดปีที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์เรา ว, วันแรกกันเดินไปตรงนั้นรอเราซ้าอีทีหนึ่งไปจ่ อ, อ, จอยแกไม่ทุนไงนี่คือคนไม่ทุนเป็นลักษณะไหน <c oughs> เอาแกมาเป็นอาจารย์หมือยไม่ใช่ ด, ดินทานะ <c oughs> พอเสร็จแล้วก็ไปเจอรองเท้ากู้สีเหลืองตาตาดาวเทียมครูว่าอาจารย์ของใสจะเป็นสายลุงกูชอบนี่แหละขึ้นมาเออซ่อนคุณไห้รองเท้าไว้ตรงโคนเง่านําทิพต์ตรงข้างๆอาจารย์นั่งคืนแรกอก <c oughs> ็เดือนนีนะรองเ ท, างาเท้ากูนี่แค่งามแท้อาจารย์เลยไม่จนิวเหลียวต้งตีนเป็นยังดําขาดเคืองไปแล้วทั้งส่วนนี้ขาดไปแล้ว S <s> <S <s> <S เปลี่ยนอาได้เพราะไอจานเดินบ้านแบบนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเอาบดได้เพราะไอจานไอตีนก็ใหญ่ชอบก็เอาทำไมเอเปลี่ยนแต่มันคู่ใหญ่กว่าตีนแก่ทีเนี้ยเขาจะรองเท้าใหญ่พอใส่ไปก็เตะหินเดินๆไปก็หลุดเท้าวิ่งไปก่อนโคตรเมวงพอเดินวันวันเดินลงเขาไป พอเดินลงเขาไปมื่นใบไผ่ตลาร์มันโอ้โค้ดแมมันลงเขามันใหญ่กว่าขาขาแกน่น้อยแต่อยากได้ลงเขาใหม่โคตรแมทั้งหลายโคตรเมร์พอคานลงไปจับลงทั้งฟาดใส่พื้นดินตีใส่พื้นดินแล้วโอดโมโหนี่คือความไม่ทุนอาการมัราานจะออกแาบลักษณะนี้ไม่อดทนไม่ทุนไม่มีปัญญาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีศีลไม่มีสมาธิมันเป็นลักษณะนี้ตีฟาด ล, ลงไปอย่างรุนแรงเลยโคตรเมร์กูจะบ่อขึ้นมาอีกแล้ว จัดมองไปสงสารก็สงสารยังไม่รู้ว่างเอา้าเป็นฟาดทิมยังงั้นจะไปใส่อะไรมันเดินไปหรือก็ต่ำต่อไปก็ลนไปบ น, นกูจะพูไไดไหมเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเขาอันนี้คือลักษณะอาการที่มันสะท้อนออกมาทางกายว่าใจใจอะไรเงี้ยถ้าคําว่าไม่ทุนไม่อดทนไม่อดกั้นไม่มีสมาธิอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> แต่สิ่งเหล่านี้ก็คือจะช่วยช่วยให้เราเป็นคนที่สุขุม ต่อปัญหาต่อปรากฏปัญหาก็คืออันนี้เราพูดแบบแบบวงเล็บฟ้ามันไม่ดีหรือว่าว่ามันเป็นปัญหานะเรียกว่าเรื่องเราในชีวิตของเราในในใจของเราเนี้ยว่ามันเป็นปัญหาแต่ถ้ามองอีกแบบยิ่งๆมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่สมมุติว่าเรียกว่าเป็นปัญหาอ่าเวลาเราเรามีสมาธิมีปัญญามีความมีตาบะมีอะไรแล้วนี่ยถ้าเราไปเจอเกิดปัญหาหรือปรากฏการเราเราจะไม่โวยวายอ่ามันก็กลายเป็นเพียงปัญหาไม่ใช่เป็นปัญหากลายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่มาแล้วก็ไปท่าพุทเจ้าใช้คําว่าปรากฏการณ์หรือว่าปัญหาเหล่านี้ท่านใช้คําว่าอาคันตุกะซึ่งคําว่าอาขันตุ ก, ก ะ, าาะกเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าชั่วข่าวมาเยี่ยมเหมือนญาติมาเยี่ยมมาเป็นอาคันตุกะทุกคราเหมือนพระสุดดงไปขอพักในวัดแค่2คืนสคืนหรือคืนเดียวอาคันตุ ก, กะมาแล้วก็ไปจอนมาแล้วก็จอนไปนี่เขาเรียกว่าอาคันตุ ก, กะเช่นเดียวกันกับการสังเกตอยู่ภัยในใจอารมณ์ในใจความโกรธความเกลียดเกลียดที่ในใจของเรานี่ก็เหมือนอาคันตุ ก, กะ ทีนี้ถ้าเรามีสติสญญัมปชัญญะ ม, ม, มีสมาธิมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมันก็จะสุขมุมมีความอดทนมีความอดกั้นมีความทุนมันก็จะไม่ถือสาอารมณ์ที่เป็นอาการตุกใจเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่ผ่านมาเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าไม่มีปัญหาไม่ใชปัญหาทีนี้แทนที่จะมองว่ามัน อารมณ์ความคิดความนึกความรู้สึกรู้สาไม่ไปตีกรอบให้โทษคาดโทษเพรามันดีชั่วแล้วไม่แบ่งแยกแล้วมันก็กลายเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่ผ่านธรรมาซึ่งสร้างสีสันให้จิตเติมแทงอะไรอย่าง้แต่ถ้าหาว่าใจของเรานี่ไม่มีแขกไม่มีอาคันตุกามาเยี่ยมมันก็กลายเป็นท้องฟ้าที่แบนๆไงท้องฟ้าชนิดใดล่ะที่ไม่มีเมฆหมอกและชงท้องฟ้าชนิดใดล่ะที่กลัวเมฆหมอก เป็นหมหาสมุทรยาหวัดวั่นแม้คลื่นเพียงเล็กน้อยเป็นความเยียบอันยิ่งใหญ่ยาวัดวั่นแม้เสียงเพียงเล็กน้อยเป็นท้องฟ้าอันยิ่งใหญ่อย่าหวั่นเหมือนเมฆดำเพียงเล็กน้อยเป็นใจอันยิ่งใหญ่ยาหวัดวั่นแม้ความคิดเพียงเล็กน้อยแค่ความคิดเพียงเล็กน้อยนะักภาวนาอนะอย่าไปงอแงแพ่ไพ่กับความคิดความนความรู้สึกรู้สานเล็กเกน้อยเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นจากแดดเผาจากตําต อ, รอหรือลื่นล้มหรือว่าอะไรพวกนี้ าจากาวจากร้อนเนี่ยมันก็แค่นั้นแค่อย่างที่ว่าครูาอาจารย์บอกว่า en, Lon, on, เย็นร้อนอ่อนแข็งอ่ให้แค่รับทราบตรงนั้นเออมันก็คือหนาวนี่แหละ <laughs> เราอะไจะต่อต้านคาสอนอาจารย์แล้วมันหนาวสักคืนหน้าอาจารย์เราอาจารย์ไปสิจะรู้เป็นยังไงใจเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือเปล่าพูดไ่ออกขาสั่นละคางสั่นละเย <laughs> <laughs> ็นร้อนอ่อนแข็งเพราะปฏิบัติจริงก็คือของใครของมันน่ะ อาจารย์ก็ของอาจารย์ของของผมก็ของผมของคุณก็ของคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ได้แตู่ดแนะนําไปอย่างงั้นแหะถ้าอาจารย์ทําม่ได้อาจารย์ขี้โมโ่พอมาอย่างเี้ยมันจะรู้เขาจะใหญ่ใหญ่ใหญ่มันทุนบ่ ม, นมันมันมันมีอัตราตัวตนเข้าไปต่อต้านไหมมีเอกโก้เข้าไปเป็นเจ้าของไหมแหมหรือว่ามันสงบเงียบหายไปดังสายลมไรตัวตนที่เข้าไปเป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนกําบังหรือโล่เป็นเจ้าของอัตราเลยมันเหมือนกับวิ่งเข้าไปเป็นเจ้าของไง เป็นเจ้าของความหนาวเจ้าของความเหนื่อยเจ้าของเป็นเจ้าของเวทนาเจ้าของความดีความชั่วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของเมฆดําเมฆขาวเนี่ยเป็นท้องฟ้าต้องเป็นเป็นท้งฟ้าที่ไรลไรลขอบเขตเป็นใจต้องไร่ใจอย่าไปเป็นเจ้าของสิ่งใดทุกอย่างไม่แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วนะแล้วก็ตระหนักรู้สังเกตและตื่นรู้ถึงตัวอยูตรงเนี้ยมันก็เป็นการตื่นรู้อย้องฟ้าแห่งใจทุกอย่างก็เป็นเพียงสีสันในชีวิตไม่ถือสาไงกลายเป็นว่า ดำเนินชีวิตไปแต่ละขณะแต่ละกาละแต่ละเทศมีความสุขบางคนก็โวยวายไงเ <c oughs> ขาเดินไปก็มีความสุขลื่นตดลงมา เจื้๊กหน่อยโอ้แสจะ ม, มีความสุขแต่เราก็ไม่พูดออกมาแนละ้วมันมีความสุขมาเลยเยอะแต่ก็ไปยิ้มยิ้มจนเวอร์นะถ้ายิ้มเวอร์ได้เขาจับเข้าโรงพยาบาลบ้าเลยนะเวอร์ไวๆแต่ก็ต้องคือซอบๆกับสังคมกับหมู่คณะกับสมมติเขาบ้างไม่ใช่หลุดๆนะนั่งสมาธิหลุดๆยิ้มหลุดๆมีความสุขหลุดๆก็ไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่นกักภาวนาใหม่ๆจะยิ้มหลุดๆจะมีความสุขหุดๆมันเวอร์เกินไปไงสงบหลุดๆไง ทำท่าสุขุมหลุดอย่าไปเสียแซงแจ้งทำมันเป็นอะไรก็เป็นมาอย่างไรเราเป็นยังไงก็ไปแห่เป็นเป็นอย่างไรอยางนั้นอย่าไปเสียแือมันไม่สงบก็ให้มันไม่สงบอย่างน้องคนนี้เขาเป็นตัวตนที่แท้จริงเขาหนะไม่เสียแซงแจ้งดังไงเหมือนอกเหมือนดอกไม้มันเบิกปานออกมันสีสันเนี่ยทำท่าทำท่าเป็นสีบูได้ไงมันเสียแซงแจ้งทำไงมนุษย์เราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะดาวมันเป็นยังไงนต้นสนเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยมันร้อนมันหนาวมันก็เป็นแสดงมาซื่อตรงๆจะไป็นธรรมชาติ ก็ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นแค่เป็นมิติหนึ่งที่มันสะท้อนออกมาเป็ความสุขเนี่ยทําท่าเป็นความเวลามีความสุขทําท่าเป็นทุกข์ก็ไม่ได้เวลามีความทุกข์เป็นท่าเป็นสุข ก, ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแค่รับทราบกัน <c oughs> งั้นก็ไม่ถึงกับว่าไปมีความสุขยิ้มเยอะจนจนเบื่อเกินไม่งั้นสังคมแล้วก็ว่าเราเนี่ยมันมันมันบ้าธรรมะ <c oughs> เขามักจะล้อเลียนกันไงคนปฏิบัติธรรมใหม่ๆนั่ใส่ชุดสีขาวสมาทานศีล น, นั่งสมาธิเดินสงบสงบหน่อย <c oughs> เห็นคนกินเหล้าไม่ได้แม่หมกสั่วไดเกินลย <c oughs> แม่เป็นกายมันหลุดไง <c oughs> เห็นคนอันนั้นนี้หน่อยก็ตำหนิตีเตือนอันก็กลายเป็นว่าเรามาอยู่ฝั่งนึงแล้วคนอื่นเป็นศัตรูหมดเลยเ <c oughs> มื่อเราอยู่ฟฝั่งพระเจ้าไอ้คนที่ไม่เทอ่งถือพระเจ้ามันเป็นศัตรูกัหมดเลย มันนโยบายหลักของพระเจ้าฝั่งเรานี่ต้องฆ่ามันให้หมดเห็นไหมชาวอิสราเอลมันยิงฆ่าชาวพุทธไงเพราะมันมองว่าคนหนึ่งมันอยู่ฝั่งหนึ่งมันไม่ได้มองมองว่าเป็นกันและกันไงมันมองแบบสายตากระสุมันยึดติดฝั่งตัวเองไงนนักภาวนาต้องเป็นกลางต้องต้องมีใจเป็นกลางไม่ไม่เลือกทีละมากที่สั่งไม่เลือกไฟใดไฟหนึ่งไม่เลือกดีเกียรตชั่วไม่เลือกหญิงงามเจ็ดริหญิงชราไม่เรียกงานงาน งานแต่งปฏิเสธงานพักภาคไม่ได้เลือก克าบเกียร์เสื่อมลาบไปได้เลือกช่อดอกไม้เกียร์ช่อดอกไม้เหีเเเยเ่ยวเลือกพระจันทร์เต็มดวงเกียร์พระจันทร์เสี้ยวเลือกพระจันทร์เต็มดวงเกียร์เดือนมืดไม่ได้นะไอเลือกสบายเกียรต์ความทุกข์เกียรติเวทนาเกียริหนาวร้อนอ่อนแข็งไม่ได้ไม่งั้นเราก็เป็นนักภาวนาแบบคู่เป็นนักภาวนาแบบแบ่งแยกแบบนี้ไม่พ้นไม่พม้นแน่นอนเลย นอกจากไม่พ้นแล้วทําให้เราสับสนมีต่างหากว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนวะเ <laughs> มืองไม่ให้เอาดีจะเอาอะไรวะนี <laughs> ่มันเหนือดีเหนือชั่วนั่นน่ะในวิญามันก็มีคําสอนพื้นฐานอยู่หลักอะไรนะหลักสามอย่างนะ่ะคือล ะ, ละชั่วทําดีทำจิตให้เขารอดแหะละลำพังทำละชั่วนี่ยังไม่พน้นทาดีก็ยังไม่รอดคือ <laughs> สวรรค์ก็ยังยังเสร็จอีก นางฟ้าทะเลาะกันตีกันเยอะแยะอะไรยังไหมเป็นนางฟ้าทะเลาะกันตีกันเหมือนพวกนางงามมานั่งแบบัเหมือนนางฟ้านะวันนี้ยพวกกริย์ทะเลาะกันก็มีพวกหญิงงามหญิงอันนี้ยังทะเลาะกันตีกันยังมีความโลภความกดความหลงยังไงนั้นขึ้นสวรรค์ก็ยังไม่พ้นนะยังให้ตามจิตใจข่าวรอบจากจากดีจากชั่วอีกทีเหมือนหลวงปู่พุทธทาสว่าต้องละทั้งชั่วทั้งดีในที่สุดจริงๆไม่ใช่หลวงปู่พุทธทาสพูดพูดเจ้าหลักคําสอนของพุทธเป็นยังไงหยาบหยาละชั่ว กลางๆทำดีทำดีก็ละดีอีกทีหนึ่งเหมืนอนพี่ก็เน่นว่าแม้แต่อาจารย์ก็ต้องสละถูกและถูกต้องที่สุดอย่างนั้นนั่นนะคือของแท้เหอนซ า, นาเซนก็บอกว่า เ, เวล า, าหน้าหนาวเนี่ยมีพระอคตุการที่บรรลุเซนเข้าไปพักในวัดก็หนาวจัดเนี่ยก็เอาพุทธรูปไม้สี่หองค์มาเผามามามาก่อไฟเนี้ย มาก่อไฟผิงหนาก็นั่งพิงหนาอยู่ต้มสารานะัา่นแหละทีนี้เจ้าวาดยังไม่บรรลุเซนยังไม่บรรลุธรรมก็มามโมโหเลยเออทำไมต้องเผาพระตุลุปนีงง่เผาทาไมก็ทำทำไมง่ายสิ่งเคารพการไหวบูชาเนีองค์เจ้าวาดองค์องค์งเป็นพระอาคติกาที่บรรลุเซนบรรลุธรรมแล้วก็พูดขึ้นเบี้ยบเบียวเบาๆว่าโอผมจะเผาเอาภาษาลิลิกระทา <laughs> <laughs> เจ้าวาดได้ที่มันจะมางอแไน แม่พระพุทธรูปไม้คือสี่ที่ภาษาลิงค่าโอ้ถ้าพระอาคานตุกะพูดบรรุษเส็นก็เลยตอบขึ้นเรียบๆว่เมมาเออถ้ามันพระพุทธรูปไม้ไม่มีพระบรมบรลลังสาลีนี่ค่ะก็จะเผาอีก 2-3 องค์เจ้าวัดอ้าวคอยเข้าใจไปด้วยอะไรเป็นเล่นขำๆถือสาไม่ได้ หมแล้วก็อาศัยเขาท่านเหลาจื้อท่านบอกว่าแหมีไว้เหวี่ยงปลาเมื่อจับปลาได้แล้วก็เอาแห่แฝนไว้จะไปแบกแห่อย่าไปทอดเอาปลาเอาแหไปทอดนะเอาปลาไปกินแต่จะ่าไปติดแหแล้วมีไว้ดักนกอเมื่อดักจับนกได้แล้วก็เอาแล้วแวนเอาไว้เอาไว่ได้ติดเครื่องมือไงเรือมีไว้ท้ามฟังเมื่อถึงฟังแล้วอย่าแบกเรือไปด้วยนี้ แบบวิธีพุทธเรานั้นศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันอาศัยอัตาละอัตตาเขาจะว่าในใหม่แล้วพภาวนาแล้วปฏิบัติบำเพ็ญตบะนี่มันเหมือนกับต้องเต็มไปด้วยอัตตาอีโก้ไงอาศัยตัวนี้เพื่อเข้าใจแจ่มแจ้งไงอะไรประมาณครับอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยสมาธินอาศัยร่างสมาธิ อาศัยปัญญาอ่านหนังสือธรรมะพวกนี้มันการเป็นเป็นปัญญาคน้นไายเป็นปัญญาสแสวงหา <c oughs> เป็นปอนสวรรค์ปอนแส ว, สวงปฏิบัติอค้นหาค้นอะไรพวกนี้มันเหมือนกับเต็ไมไปด้วยอัตราตัวตนแต่อาศัยอาตาัตราเพื่อเพื่อจร ะ, ะอาตาัตราอถ้าไม่ทําเลยก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าเวทชาวถ้าไม่ไม่ไปบำเป็นตะบะก็ไม่รู้เรื่องอะไร ก, กไ็ไม่ได้ตัดจรู้ <c oughs> อย่างพวกเรามาเดินป่าอย่างนี้ดูดูมันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็ไม่ได้อะไรจริงๆนะหรืเหมือนเจ้าจ้านแถวแถวทองถิมาหาอาจารย์นี่ขอแตงหัวยอย่างเดียวเลยเอาข้าวมานี่ เ, เหมือนกับไปไห ว, ว้สามประภูมิไหว้สามประภูมิปุ๊บนี่ก็จุดธูปสามดอกแล้วก็เอาของเส้นไหว้ไปส้มเจ้าหวานไก่อีกตัวหนึ่งของหมูตัวหนึ่งก็ ว, วางไว้แล้วก็ขอนะฮะอาจารย์นี่เป็นคนธรรมาไม่ใช่สามประภูมินะเป็นคนแท้ๆมันยังมาว่าอย่างงั้นเลย เอาซื้อส้มมาให้เหมือนกันซื้อไก่มาให้เหมือนกันซื้อปลากระบองมาให้เหมือนกันแต่ขอสามตั็ติดทิ้นบนอยู่ดีเนาะบางทีเราเราทําบุญทาทานอสร้างกีริสร้างวิหารสร้างประไตรปิฎกก็เพื่อจะไปสวรรค์สันติบานี่ก็ติดทิ้นบนอีกละก็ไม่ดีอีกมันไม่เข้าใจเรื่องปัญญาไงนั้นหลักของพุทธเรามันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้เราถือศีลทําสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้เหมือนเรามาเดินเก็ไม่ได้เพื่อหวังอะไรเพื่อจะได้อะไร เราจะเหาะเหมือนนรรยากาศได้ก็ไม่ใช่เพื่อตรงนั้นเราจะเป็นผู้พิเศษวิษวสโสคนนับถือทั้งบ้านทาั้งเมืองก็ไม่ใช่ตรงนั้นเราจะมีคนมีลาบยอดเสือหลังหลายเปมก็ไม่ใช่ตรงนั้นอีกแล้มันเป็นแค่ทำก็คแค่ทำเป็นก็แค่เป็นมาก็แค่มาเดินก็แค่เดินถ้าบอกว่าบ้าก็บ้าเหมือนกันก็บอกว่าม่าก็บก็แบบมุมชาวบ้านก็บอกว่าเราบ้ามาทําไมไรสาระ เราเห็นชาวบ้านไปเล่นของการไปกินเหล้าเมาตุลามันก็บ้าอถ้าจะมัวแต่ว่ากันนี้ก็ไม่ไมจบพิธีเนา ะ, ะจงสงบเงียบลงตื่นตัวตื่นรู้เฉพาะตนรู้ว่าเราเป็นใครและทําอะไรมันต้นสนจึงเป็นต้นสนอย่าไปตีเตือนคนอื่นดอกไม้ต้นเฟื่อนก็เป็นต้นเฟื่อนไปอย่าไปใส่ใจอะไรกังวลอะไรมากเลยเราก็เป็นแค่ตรงนี้เราเป็นแค่ตรงนี้มาก็แค่มาไปก็แค่ไปหรือไม่มาตรงนี้ก็ไปที่อื่นไม่ไม่เกิดตรงนี้ก็เกิดอย่างอื่น ไม่ไม่เหมือนถ้าเราเมตใจไม่เกิดความคิดนี้ก็เกิดความคิดอื่นหนีจากความคิดหนึ่งก็จะไปเจอความคิดหนึ่งเหมือนเราหมุนเครื่อวิทยุไงหมุนไปเรื่อยเครับ <c oughs> ชอบก็หยุดไม่ชอบก็หมุนหนีหนีไปไหนมันก็พูเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวถูกใจไม่ถูกใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวตบซ้ายทีขวาทีมันก็จะหีไปไหนได้ซ <c oughs> ู้เราเปิดเปิดเปิดใจทั้งหมดทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่าไปตีกรอบและปั๊มหัวมันว่ามันเป็นมารร้ายหรือซาตาน <c oughs> ทุกอย่างมีค่าทุกอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นสังขารและธรรมมันมีค่าเข้ากันเสมอกันไม่ไปหมายหัวอันนี้คือหญิงงามนี้คือกระเทยนี้คือกระเอยไม่ดีหรือกระเทยหล่อเกระเอยสวยก็ไม่ต้องไปหมามันก็เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ในต่างไปไร้สาระเหมือนกันเราดีเซคเกิลและเราแปลสภาพสิ่งที่ว่าเป็นศัตรูหรือเป็นมารเหล่านี้ให้กลายเป็นปัญญายได้นั่นแหละคือเป็นศิละปะในการภาวนาศิละปะแห่งการตื่นรู้ แทนที่จะวิ่งหนียแทนที่จะเลือกอย่างแทนที่จะเลือกรูปแบบเลือกศีลเลือกสมาธิถ้านีจะรูปแบบทําไม่ได้ไม่ได้ทําสมาธิแย่ yeah. ไม่ได้อยู่ใกล้กับวายรายตายไม่ได้บวชยุ่งเลยอะไรเงี้ยอย่ า, อ ย, าอย่าน้อยใจว่าไม่ได้เป็นนักบวชอย่าน้อยใจว่าเป็นชาวเพียงชาวโลกอย่าน้อยใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่สําคัญคือทุกคนมีใจนี่คือหลักสำคัญแล้วอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ถ้าอยากเข้มแข็งก็มาฝึกอย่างนี้ยเห็นไหม บางทีพระยังไม่ได้มาฝึกเลยเ อ, อถ้าเราตั้งใจศึกษาเนี่ยต่อให้เราเป็นแค่คนไทยคนหนึ่งค น, คนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยสามารถเข้มแข็งไดะสามารถบรรลุทําได้สามารถบรรลุธรรมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรหรอกเป็นเรื่องบรรลุในใจนี่แหละ อ, อบรรลุธรรมปร้ากฏการต่างเขาเรียกว่าธรรมไม่ว่าดีหรือชั่วเขาเรียกว่าธรรมธรรดีทําชั่วไง อ, อปราการที่ดีที่ถูกใจไม่ถูกใจสุขทุกข์ดีชั่วรัโกโลกปวดหลง ราคะโทสะโมหะกุศลธรรมอกุศลธรรมก็ยังเรียกว่ากุศลธรรมก็อกุศลธรรมก็เป็นธรรมเหมือนกันก็คือบรรลุธรรมก็คือเข้าใจธรรมนั่นแหละบรรลุมองจนบรรลุอมองจนเข้าใจสุดท้ายมันไม่มีธรรมธรรมต่างๆที่เรียกว่าต่างกันเรียกว่าทรรดีทรรมดำทรรขาธรรนั่นทรรนี่ทรรถูกทรรผิดทรรดีทรรชั่วทรรมสอค์ทรมนรกเนี่ยปรับการเล็กน้อยใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันว่างเปล่ามันไม่มีธรรมมองทะลุธรรมเห็นธรรมมองทะลุธรรม เห็นทำตามเป็นจริงรู้ทำตามเป็นจริงเข้าใจทำเวทนาเห็นทำตามเป็นจริงนักวิชาเขาพูดวิไว้ตัวนี้เราก็ไม่ไม่ไดเรื่องราวไกลตัวอยู่ที่ใจของเราใจก็คือทำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจก็คือทาสุขก็คือทำทุกข์ก็คือทำดีใจก็คือทำเสียใจก็คือทาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือทำเห็นทำตามเป็นจริงเห็นเวทนาตามเป็นจริงเนี่ยพอไปอยู่บนยอด ย่องผูก็อีกอย่างหนึ่งพอมาอยู่ตรงนี้ก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกอย่างหนึ่งเย็นต่างกันหนาวต่างกันตื่นเต้นต่างกันก็สังเกตอยู่สุดพ้อมก็ผ่านไปหมดการโครงสร้างทั้งหมดจะผ่านไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าโครงสร้างทั้งหมดเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยสนับสนุนแหล่งของไฟสนับสนุนไหมถ้าไม่มีฟืนเอาไฟมาจุดอยังไงก็ไม่ทไม่ติดมันต้องมีฟืนมันต้องแห้งมันต้องมีคนจุดมีเหตุมีปัจจัยมีฐานไฟแชกมีน้ํามันเอก ไอ้ดันด้วยแก๊บด้วยโอ้โต้องจุดอาจารย์ก็แนะนําส่วนหนึ่งด้วยนะ น, นี่นะตุบขึ้นมาเป็นไฟแล้วก็ไม่อยู่ตรงตลอดเวลามันก็เป็นเป็นผลของเหตุปัจจัยเป็นยอดสุดของการตุ้งแต่งเขาเรียกว่าสังขารเรียกว่าธรรมและธรรมมานี้กําลังไหลไปตามเหตุตามไปไัจจัยเห็นไหมลมดาวก็ไหลก็ฝนก็ไหลเราก็ไหลมานี้ลมสุดดาวรอดอะไร่างเงี้ยก็ไหลเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรม ร, งธรมการสังเกตการตื่นรู้การตระหนักรู้ในใจแห่งดวงฟ้านี่ก็คือ การตระหนักรู้ทำตามสภาพเป็นจริงให้เห็นทำตามสภาพจริงนี่แหละมีแค่นี้ถ้าเราอยากมีประสบการณ์เยอะอยากมีมีปัญญารอบรู้สภาพธรรมเหล่านี้อย่างครอบคลุมอย่าง ก, กว้างขวางมากมายต้องหมั่นซ้อมซ้อมซ้อมซ้อมซ้อมก็คือเหมือนอย่างไรตรงนี้การได้ยินได้ฟังการดูการเห็นการมองการพิจารณาการหาประสบการณ์ซ้อมซ้อมซ้อมและเราจะเห็นหลายๆแง่มุมหลายเม็ติดของธรรม ไม่ใช่เห็นแต่ทำมิติเดียวเหมือนรูปพีระมิดนะมิตินี้เขบอกเออมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเขียนบรรยายว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้พีระมิดไม่เคยไปดูมิติอื่นเลยสิ่งเดียวกันไม่เคยมิติเห็นมิติอะไรมิติเวลาเห็นลากบยศสนเสริญเห็นมิติเดียวมก็เลือกที่จะหญิงงามกลายเป็นหญิงเชลาแต่ก็ไม่เคยเห็นหญิงงามกับหญิงเชล่ากลายเป็นหญิงบ้างเปล่าเลยนั่นคือมิติสุดท้ายของธรรมคือ มหาสุนิตาคืออนัตตาสุนิตานั่นแหละมิติสุดท้ายและมันเป็นสิ่งเดียวกันทำนุ่งคงกินเป็นสิ่งเดียวกัน <c oughs> การสังเกตการพิจารณาสแสวงหาการทำซ้อมเหมือนนักดนตรีซ้อมเหมือนนักกีฬาซ้อมเหมือนนักมวยมันซ้อมนักปศนักโยคีฤศีวนีนักสแสวงหาสันติในภายในก็ซ้อมเหมือ น, นซ้อมคือการอ่านการเขียนการพิจารณาการใส่ใจนี่แหละถ้าไม่ใส่ใจมันมีทางแห่เงเรามานี้่ถือว่าใส่ใจนะ ใส่ใจใส่เกียร์หนึ่งขึ้นมาเร <c oughs> าไใส่เกียร์หนึ่งมันไม่ขึ้นนะแล้วเราก็จะเห็นมิติของธรรมลหลายๆมิติใช่ไหมเนี่ยพอไปเขียนบรรยายนะี่เรื่องภูหลวงเรื่องมิติธรรมเนะี้ยเรื่องดอกไม้เรื่องภูหลวงเรื่องหมีประกบหลังของเจ้าเออห น, <c oughs> นุ่มโอ้เนี่ยเราก็บรรยายออกไปได้หเห็นมิติอื่นแล้วคนไม่มาเขาไม่เข้าใจมิติต่างๆนี้ ประสบการณ์อะไรเดินเหนื่อยยังไงนั่งสมาธิมันเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งเวลาเดินมันปวดขามันเมื่อยมันล้าอย่างอีกอย่างหนึ่งนี่มิติเบทนาก็ยังมีหลายมิติความสุขก็ยังมีหลายมิติรูปสิ่งหนึ่งก็มีหลายมิติความรู้สึกก็มีหลายมิติให้เห็นหลายๆมิติของธรรมจนกระทั่งทะลุโอ้มิติต่างๆที่มันแปรไปเนี่ยอย่างเช่นมิติตัวอีกหัวตอนมันเป็นไข่ก็อีกมิติหนึ่งตอนมัน ผสมพันก็อีกมิติหนึ่งตอนมันเป็นไข่ออกมาก็เป็นมิติหนึ่งตอนเป็นอีห่วกก็เป็นอีกมิติหนึ่งตอนมันเป็นครังคคกเป็นกบก็อีกมิติตอนมันตาก็เห็นมิติเห็นหลายๆก็เรียกว่าเห็นธรรมหลายๆมิติจนมิติสุดท้ายที่พุทธเจ้าสรุปไว้ทำทั้งดวงเป็นอนัตตาสุญญตาไม่มีใครหมายมั่นคิดมั่นได้ไม่มีใครไปเจ้าข้อเจ้าของหรือบังคับบัญชามันได้ในธรรมต่างๆในมิติต่างๆและธรรมที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี้ มันดำก็สามารถเป็นขาวได้ในมิติหนึ่งดำเป็นเพียงมิติหนึ่งในกาลหนึ่งในช่วงขณะหนึ่งเหมือนเนีไอ้หนุ่มเนี่ยก็เป็นเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยก็ช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนความไฟก็แค่ช่วงขณะหนึ่งและสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นมายาภาวเป็นมายาทดำจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นมายาถ้าพูดคําว่าทําน้ำพุงเป็นมายาเหมือนกับว่าไอ้หญิงคนนี้มันหลอกลวงเราแกเนมายาแกเสียแซงแจ้งทําแกนีสัมมาเกะ แกตัวฉันอะไรอย่างงี้เราก็เหมือนกับก่าโทษไงจริงๆแล้วทํำน้ำพวงไม่ได้มายาแต่พูดมายานี่เพียบเพื่อเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างยๆมันเป็นมายาคือก็มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างว่าของอย่างนี้นเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วมายาเหมือนมายากลหลอกลวงไงจริงๆมันไม่หลอกลวงใครมันเป็นเรื่องธรรมชาติทำน้ำมายานี้บางทีมันไม่ใช่เป็นหลอกลวงมันเป็นสิ่งที่ดีใช้ใช้สิ่งที่ดีคือกําลังจะบรรยายว่าทํำน้ำพวงเป็นมายามันมันไหล ทอปะทำนกลวงเป็นเล่นจังทกทางสาตาดูดูดีขึ้น <laughs> ทำนกลวงแสดงความจริงไงทำนกลวงมันมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดูดูดีขึ้นแต่พ่าทำนกลวงเป็นมายาที่หมยถึว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยงมาไม่แน่นอนไอ้คนนี้ลิ้นไม่มีกระดูกกระดกไปกดซ้ายดีขวาดีอะไรยอย่เงี้ยจริง่ังก็เป็นอย่างนั้นจริงนีเรามองเนี่ยก็ไม่ให้มองแบบสายตา ก, กาวโทดและตัดสินสิ่งต่าง <c oughs> ไม่ฝืนมิใยที่จะกาโทษและตัดสินกันมองแบบ ครอบคุมที่จะไม่ตัดตินคนเราจึงจะมีความสุขมีความสงบมีความทุนในในเหตุการณ์ต่างๆในสภาพต่างๆไม่ใช่เลือกแต่ดีชั่วไม่เอาเลือกแต่สงบฟุ้งซ่านไม่เอาเลือกแต่สมหวังติดหวังไม่เอาเลือกแต่ยิ่งงามยิ่งชราไม่เอาอะไรเงี้ยเลือกแต่พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวแมวเ อ, อา <c oughs> เลือกแต่ความสงบคอยความคิดหน่อยไม่ได้อะไรเงี้ยเลือกแต่ว่าพอออกที่อื่นไม่ได้เลือกแต่รูปแบบของเป็นพระ ข้าทักสืบวยวายอีกาใช้ได้ที่ไหนนักภาวนา <laughs> นีภาวนาต้องไม่มีดีมีชั่วในหนัวใจนักภาวนาต้องมองปรากรตการหรือมองธรรมให้เห็นเสมอกันตีค่าธรรมต้องพวงเป็นเสมอกันสุดท้ายมันว่างเปล่าธรรมต้องพวงไม่เห็นมิติสุดท้ายมัแล้วเราจะเป็นนักภาวนาที่อิสระมากไม่ผูกขาดกับสิ่งใดไงไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใด ไม่เข้าข้างไขรไม่เข้าข้างเหตุการณ์ไม่เข้าข้างปรากฏการณ์ไม่เข้าข้างสภาพธรรมต่างๆไม่เข้าข้างปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งมองเห็นปรากฏการณ์เสมอกันทุกอย่างปรากฏการณ์ต่างๆทํารวมเสมอกันอยู่แล้วเขาเรียกว่ามีใจเป็นกลางต่อปรากฏการณ์ทุกชนิดพระภาวนาเสมอ พี่ใหเป็นกลางมันจะรู้เรื่องไว้ใ <c> น <oughs> กลางกลางไม่ยินดีกินลาย <c oughs> อะไรประมาณนี้แล้วมันก็ถูกนะมาสิ่งนั้นมันก็ไนะม่ใชอ่อ่าอะไรก็คือคือตรงนี้แหละก็คือไม่แบ่งแยกไม่เลือกข้างไม่เลือกที่รักไม่ได้ชังแล้วก็มองค่าเสมอกันหมดแล้วก็ต้องเห็นมิติสุดท้ายในตัวสนับสนุนให้เราเป็นกลางได้ไม่งั้นมันเป็นกลางไม่ได้มันยังเลือกอยู่อะไรเงี้ยอย่างไรคนเราก็ต้องเอาดีก่อนปล่อยมิติเชื่อรับไม่ได้อะไรเงี้ย พอเป็นเมงเขาแยังก็น่ารักก็เป็นลูกอสก็น่ารักแต่พอเป็นกลาคงโคกแล้วแม่มันไม่เหมือนเหมือนเราเวลาเรา เ, เลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือว่าความสมหวังมันประดังเข้ามาในชีวิตเพราะมันมันเพลิดเพลินนะมันชวนให้เราลุ่มหลงเวลาเราเป็นคนจนอยู่นะเราอ่อน น, อน้อนอมตะแค่พอเรารวยแล้วเยื่อยยิงพยองก็มีเอฟโก้จากแสดงตนออกมาเป็นดาตาตัวตนแสดงความเป็นตัวตนออกมา <c oughs> แล้วก็รูหลงกับสิ่งเหล่านี้ นักภาวนาก็ต้องคื อ, อ ว, งวางกจเป็นกลางไม่ให้ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ให้รู้ว่าทุกอย่างมันมันเป็นเพียงผลของเหตุปจัจจัยแล้วเราก็จะผ่อนคลายกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตธรรมันในเส้นทางของการตื่นถึงเรียว่าผ่อนคลายใ น, ในทองฟ้าแห่งใจไม่ว่าเมฆดำก็คขำขำนะเมฆดำอุปมาดังความคิดชั่วร้ายก็ได้ ราคาโทรศัพท์ก็ได้ิจิตฝ่ายตา่ำฝ่ายมืดก็ได้ความพัดพลาดสูญเสียของลักก็ได้เมกดำนะมันม า, มาได้หลายไปเราก็จะผ่อนคลายถ้าเราเตรียมรู้อยู่ในท้องฟ้าแห่งใจก็ใจท้องฟ้าแห่งใจแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะแค่เป็นมายาภาพเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่มาปรุงแต่ง ก, นกนันเกิดขึ้นมาเป็น เกิดจากผลเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเราก็เข้าใจว่ามันไม่มีแก๊สสารแล้วก็จะผ่อนคลายไม่ถือสาทุกอย่างมันก็จะค่อยๆจางหายไปตามเหตุปัจจัยแต่ว่ า, อ, าอย่างนี้เวทนาเนี่ยมันก็เหมือนเมฆดาปวดขานี่นั่งดูทั้งคืนมันก็ไม่หายนะหนาวนก็ไม่หายพี่แต่หนาวบิดติ้วๆพลิกหลายรอบแล้วก็ยังไม่หายหนาวจะทําอะไรกับมันมันก็ไม่เห็นจะหายไปได้ยังหน่อยนั่นแหละมันต้องพบาดิีก็ต้องอาศัยตำบาดด้วยไงลําพังความรู้ความเข้าใจก็ยังไม่พอไง เรียกว่าปัญญาเนี่ยอ่านหนังสือร้อเล่มพันเล่มเนี่ยอ่านมาไตปีดกทั้งจบทั้งตู้นี่นะหลายรอบหลายสิบรอบมันก็ไม่เพิ่มแต่บเพิ่มความอดทนให้เรานะนอกจากอยากเราจ ะ, ะถ้าชาวไร่ชาแนาเป็นงวเป็นควายเป็นกบ เ, เป็นเกศมันร้องแอบแอบแอแ อ, อยู่ตามป่าตามเขานี่ยงูก็เลื้อยไปนี่นอดทนแต่อดทนงูลงงูเหลือมมันเลื้อยไปนี่มันตากแดดตากฝนไม่เคยไม่เคยเรียนรู้ธรรมะอะไรเลยมันต้องอดเดมันก็อยู่ได้ของมันอ่ะแต่พอมนุษย์ผู้มากด้วยปัญญาเนี่ย อ่านพระไตรปกมาจบไปแล้วนี่อดทนอดทนดกั้นสันติบา ร, รมีสร้างบา ร, รมีหลายๆลาอย่างพอมาเจอฝนไหนก็งองแงแพรร้พ่ายวิ่งหนีครั้งอย่างเลย <c oughs> <c oughs> อย่างก็ไม่ได้ อ, อาจารย์ครับแล้วการการภาวนาในตัวในตัวธรรมและตัวจิตเนี่ยอย่าง ก, กายกับเวทนาเนี่ยเราเห็นอยู่เนืองเนืองอยู่แล้วแล้วอย่างาจิตกับธรรมเนี่ยครับเราจะเตือนรู้กันมายนไยังไง จริงๆแล้วจิตกับธรรมธรรมธรรมที่อญญาจารย์อธิบายไว้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเวทนาก็คือธรรมอย่างจิตก็คือธรรมตื่นรู้ก็คือตื่นรูตน้ตรงอยู่ตรงนี้แหะอย่างอย่างใจของเราเนี่ก็คือถ้ามองดูอีกหนึ่งก็คือปู ม, มาดังท้องฟ้าที่ลาเมฆไายขอบเศษทุกทุกด้านให้เข้าใจง่ายขึ้นบางคนมันเอาทุกวันเนี่เอามาใช้ใจกับจิต แยกมันใช้กับเราแบบกันเป็นจิตเนี่ยเาเราเปรียบเทียบดังเจตสิทกก็ได้อย่างราคะเจตสิกโทสะโมหะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดต่างๆนี่เป็นจิตเป็นกิจกรรมอ่ะกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในใจนะใจเนี่ยมันไม่มันไม่มีการไม่ไม่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมอย่างนี้นั้นจิตเจตสิกมันเกิดขึ้นเนี่ยการตื่นรู้ทำเนี่ยก็คือเห็นเห็นเจตเจตสิกต่างตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นจิตมันทํางานเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดดำเนี่ย การเกิดดับเป็นอนิจรังทุกขงังตาตานี้ก็คือธรรมเหมือนกันนี่แหละการตื่นรู้ทำอยู่ในใจของเราคือตื่นรู้ศาสนนี้มันเห็นอยู่ในตัวของมันเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยก็คือธรรมเปรียบดังธรรมที่เป็นประเภทสังขารแล้วกฎที่ทําให้เสียงเกิดดับไปอนิจจังทุกขงังตาตานี่ก็เป็นธรรมเหมือนกัน มันก็เห็นพร้อมกันเลยเวลาเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือจิตจิตที่มันทํางานจิตเจตสิกทำงานเป็นคลื่นขึ้นมาถ้าเราไม่เรียกว่าเป็นจิตหรือเจตสิกหรือใจมันก็คือมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาอย่างเช่นความโกรธไม่เรียกว่าความโกรธแต่ว่าสมมุติว่าเรียกความโกรธมันเกิดขึ้นมาเรารู้อันนั้นก็คือธรรมแล้วมันเกิดดับไปตามอันนี้จังทุกขาเราไม่เรียกว่ามันเป็นอันิจ้จังสุขกขามันเกิดดับไปให้เราเห็นเราเข้าใจได้วยดวงนั่นก็คือธรรมนี่แหละคือตื่นรู้อยูู่่ใในนนนตตัััวววีี้ะอยยเดก อ น, นความโกรธมันบรรจุใจรักอยู่ในนั้นไปด้วยอย่างเสียงก็บรรจุใจรักเวทนาก็บรรจุใจรักอยู่ในนั้นด้วยสิ่งสิ่งหนึ่งบรรจุได้หลายอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเป็นเสร็จหมดเลยเหมือนยญิงงามบรรจุหญิงเชลาเอาไว้ชอ่อรอกไม้สด บ, บรรจุซ่อดอกไว้เหี่ยวแล้วชอ่อดอกไม้ว่างด้วยนี่คือมิติสุดท้ายใช่มิติหนึ่งก็คือเห็นความทุก ข, ข์เห็นความโกรธเห็นเวทนาอย่างที่เราเดินเห็นเวทนาชัดเลยเรารู้ด้วยตนเองเดิมทีเราไม่มีปวดนะ สังเกตดูบ้างไหมเวลาเราไม่ปวดขาเป็นยังไงเราไม่เหนื่อยเป็นยังไงเราไม่หิวร้องท้องมันไม่ร้องแล้วก็ร้องธรรมดาก็มีนะร้องแล้วหิวด้วยนี่ <laughs> บิดไสแล้วก็มีเหมือนกันเ อ, อแต่เวลามันไม่ร้องไอะไรมันก็มีเหมือนกันเราสังเกตบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในในความหิวเวทนาเหลนี้มันก็แสดงความเป็นใตรักอยู่ในตัวของมันเองใจของเราเข้าไปรับทราบอีกหนึงคืออย่างมันเกิดจากใจของเรานั้นแหละการตื่นรู้ก็ตื่นรู้ตรงนี้แนหะ สังเกตอยู่ในใจในกายในใจของเราทุกอย่างเกิดขึ้นมาอยู่ในนั้นน่ยอะไรเกิดขึ้นมาก็ตื่นรู้อยู่ในนั้นและความจริงก็อยู่ในนั้นมันมันมันจุความจริงไว้ในตัวไม่มีสิ่งใดเลยที่เลวร้ายเสมอไปไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่มีไม่มีไม่มีประโยชน์ทุกอย่างสามารถดีไซเพิ่ได้เพียงแต่เรามองให้เห็นหลายๆมิติหนึ่งให้เห็นหลายๆมิติของสิ่งนั้นอย่างในความโกรธมิติหนึ่งว่ามันไม่ดีแต่ว่าความโกรธเอาเอาความโกรธ นักภาวนาเอาความโกรธมาพิจารณาถ้า ม, มีความโกรธพิจารณาอะไรอความรัก <c oughs> <c oughs> ถ้าความรักก็มีพิจารณาอะไรเดินปวดขาอยู่ตนนัวนี้ปวดขาก็พิจารณาความปวดขาไปมันไม่โกรธนี่ยมันปวดขาก็อีกอย่างโกรธก็ อ, อีกอย่างเลยก็พิจารณาลงไปก็สังเกตแค่แค่สังเกตลงไปไม่ได้ทําพิธีกรรมอะไรหรอกแค่สังเกตด้วยใจเราสังเกตมองรับรทราบความปวดเมื่อยลงไปมันจางหายมันแปรสภาพไปนั่นการแปรสภาพไปมันเรียกว่ากดไตรักมันความโกรธเนี่ยหรือความ ทุกภเวทนานีมน่มันมั น, ม, นมันเป็นไปตามเหตุตามบัจจัยเป็นใจรักไหนั่นแหละคือมิติของธรรมะก็มีซ่อนอยู่อีกทีหนึ่งถ้าเราพิจารณาเห็นโอ้มันก็เห็นธรรมะธรรมธรรมะก็มีในสัจไปในนั้นจริงความภเวทนานี่ก็มีประโยชน์ในในหลายมิติเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยถ้าเรามองมิติเดียวมันก็ไม่ดีแต่ถ้า <c oughs> เรามองพิจารณาด้วยปัญญาความไม่ดีมันก็สอนเราได้หลายระยะ <c oughs> ความเผิดหวังลาบยศสรนเสริญหลงในอำนาจบ้านในตัวตนมันก็สอนเราหลายๆอย่างความโกรธมันก็สอนหลายหลายอย่าง <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจเรื่องมิติต่างๆของสิ่งนั้นๆ <c oughs> ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นของเสียอมืมองมองลุลิดแลนะมองละเอียดอมมอ ง, มองแบบครอบคุมนะความโกรธก็มีประโยชน์ความทุกข์ก็มีประโยชน์เห <c oughs> มือนนักมวยที่มันไปวิ่งทุกวันอนะวิ่งวิ่งวิ่งซ้งอมเตะก็สอนเตะไปทําไมได้สาระ ไอคนชาวไร่นักธุรกิจมุ ก, กว่าเรากรกระกระทำอย่างนั้นมันเหนื่อยกว่ากูทําธุรกิจดีกว่าเออคือคนเร า, าไม่เหมือนกันไงตามเหตุปัจจัยสังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็เตะไปมันก็เพื่อเป็นสิ่งแชม โ, ม, มโลกไงท่านไม่เตะมันก็สิ่งแชมโลกไม่ได้อะไรเงี้ย น, <c oughs> นี่ถ้าคนเราไม่มีความทุกข์เนี่ยเออเราก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไร <c oughs> ถ้าไม่มีสังขารเราก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไร <c oughs> ถ้าไม่มีเกิดไม่เกิดปรากฏการณ์จใจ า, างเราเขาไม่รู้จะพิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้ทําให้เรามีปัญญาขึ้นมา <c oughs> มองให้บีไซเคิรให้ได้มองแบบใสก้อยไม่ใช่มองแบบสรุปมองแบบตรงๆก็ก็ฝึกฝึกซ้อมฝึกทักษะอย่างเช่นเรามาอย่างนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมสร้างภาพจําลองขึ้นมาถ้า <c oughs> เราอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดเราก็เห็นมุ ม, ม, มเดียวไงในพุทธศ า, าสนาเรามิติอื่นๆมีเยอะๆเลยความรู้ต่างๆที่นอกโรงเรียนนอกห้องประชุมมันมีเยอะๆเลยความรู้ไม่ใช่อยู่ที่ห้อง เออห้องหนังสือหรือว่าห้องประชุมอย่างเดียวหรืออยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์หรืออยู่ในรูปแบบในในรูปแบบใดรูปแบบหนึแบบ่งอย่างเดียวความรู้มีอยู่ทั่วไปความรู้บรรจุอยู่ในทุกอนุทุกลูขุนฝนทุกทุกประกฏการสามารถดีไซเกิลให้ ม, ใหมีให้มีความรู้มีปัญญาในนั้นได้หมดเลยบางทีเราจะพิจารณาแต่ความสุขเป็นมนุษย์จะเลือกแต่ความสุขคิดว่าจะเองจะมีความสุขได้ที่ไหนใช่ไหมเพราะเป็นมนุษย์เราเมื่อต้อง เป็นเป็นมนุษย์เป็นมีชีวิตมีจิตใจก็ต้องเป็นใจที่เป็นกลางใจนี่มันมันเหมือนกับสวนสาธารนณะเหมือนอุทยานนะเหมือนมหาสมุทรเหมือนท้องฟ้ามันเป็นที่กลางๆเป็นที่สาธารนณะสาธารณะต่อทุกสังขารทุกปรากฏการแล้วปรากฏการต่างๆก็มาปรากฏไม่ไม่มีปีไม่คุยเลยจุๆก็เสือมาจุๆก็ช้างมาจุๆก็หมีมานี่มันจะคิดไว้ได้ที่ไหนใช่ไหมมันจู่ๆก็มานะเหตุปัจจัยหรือสังขารนะก็อันไหนมาก็พิจนารณาอันนั้น อย่างผู้ดูหนุนว่าอผมจะเริ่มต้นพิจาตรณาตรงไหนมีทุกศิษย์ไปถามอะไรเกิดก็ให้พิจารณาอยเหมือนที่เราบอกว่าปรากฏในการอะไรเกิดขึ้นมาก็พิจารณาในนั้นเรามีธรรมะมีสัจจะมีความจริงอยู่ในนั้นไม่ใช่เมืม่มัวแต่วิ่งหนีและเลือกมาแต่ดีๆ <c oughs> จู่ๆอาการปวดหัวขึ้นมาจู่ๆก็อาการแก่ขึ้นมาอาการปวดขาขึ้นมาปวดท้องปวดไตสารพัดเลยนะ เดี๋ยวรักได้รักเสื่อมรักอได้โกรธเสื่อมโศกโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวสูญด้ดทุกมีความคิดมากมายอย่าเลือกพัฒนาพิ จ, จารณาตระหนักรู้สังเกตเอแบบไม่เลือกเนี่ยเป็นยังไงวันเรามานี้เจอความหลากหลายไหมเจอไหมมาวันแรกฟ้าปิดใช่ไหมหนาวก็อีกอย่างเหนื่อยก็อีกอย่างคานขึ้นเนินมรณะนั้นอีกอย่างหนึ่งโอ้โห เขาเรียกว่าเดินเดินผ่าผ่าปวดเหวนาลกเนิะแล้วก็มิตีหนึ่งนั่นคือมิตีหนึ่งในเส้นทางนี้ในในในทริปนี้ในในในเนื้อหาในเรื่องนี้ใช่ไมว่าันเนี่ยมันเป็นมุมหนึ่งบางช่วงในหยิบดอกกุหลาบใส่ปากด้วยมีความสุขสังเกตดูบ้างไหมก็ไม่รู้หรือนึกถึงแต่ตอนคุบเขาในกรวดหิน มุมที่เห็นดอกไม้สวยๆดื่มน้ำเย็นๆหายเหนื่อยนั่งผ่อนคลายเคยนึกถึงมิติเหล่านี้หรือไม่อย่างเงี้ยมิติตื่เต้นขึ้นยอดภูยงภูก็ทุกอย่างพยายามนักภานาต้องดีไซนเคลดัดแปลงเหตุการณ์ที่ว่าแย่ที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือศิลปะชั้นเลิศศิลปะในการตระหนักรู้ศิลปะในการตื่นรู้นี่คือศิลปะของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าให้กรรมฐานข้อ ข้อหมวดธรรมนี่แหละคื อ, ค อ, ค อ, คอทุกๆอันสามารถดีเซคเกิลให้เกิดปัญญาและเกิดประโยชน์ได้แทนตอนที่ให้ดูกายนีย่คือแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็แบบเลือกไว้หรือเป็นหมวดแบเป็นหมวดหมวดเวทนาหมวดจิตก็ยังแคบอยู่หมวดเวทนาก็แคบลงมาเองห้ามดูอย่างอื่น <laughs> หมวดกายก็อยู่แต่ก้าวขา ย, ยกขาไว้ยากจะไปยกก้าวขายอยู่ตรงท่ามกลางป่าเสือได้ไง <laughs> ตายพอดีเลย เราต้องหัวทำใช้แบบครอบคุมทุกอย่างเกิดขึ้นมาอย่างฟ้าผ่าก็ต้องพิจารณาอย่างฟ้าผ่าและดีไซเคลแบบไล่ขีดจํากัดแบบไม่เข้าไปต่อต้านและแทรกแซงมันไม่ต่อต้านไม่วิ่งหนีมันก็ต้องยอมรับอะไรเกิดขึ้นต้องยอมรับฟ้าผ่าเปี้ยงก็ต้องยอมรับเจอหน้าหาก็ต้องยอมรับเจอปวดขาก็ต้องยอมรับเจอดอกไม้ดอกกุหลาบก็ต้องยอมรับแล้วมีความสุขกับการ คบปะตัวละครที่อยู่ในทางสายกลางถ้า <c oughs> เปรียบตังใจของเราเป็นทางสายกลางก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราในชีวิตของเราก็ถือว่ามีจิตใจต้อนรับทุกอคันทุกการก็ <c oughs> มีใจเป็นกลางไม่เลือกที่รักบ้าที่ชังไม่วิ่งหนีสิ่งหนึ่งและคว้าเอาสิ่งหนึ่งแบ่งพักแบ่งพวกไม่เอาแบ่งแบ่งอารมณ์แบ่งอารมณ์มมเป็นพวกๆแล้วเลือกเอาอารมณ์พวกดีๆอย่างเช่นเลือกเอาสงบเลือกเอาอ นิ่งๆเลือกเอาไม่ต้องมีความคิดต้องการพระจันทร์เต็มดวงมาปรากฏในท้องฟ้าต้องการดวงดาวอันเฉิดฉยมาปรากฏต้องค้าต้องการพระสายลมอันเย็นๆมาปรากฏต้องเราเลือกไม่ได้ต้องการดาวหางตกมาสวยๆก็ไม่ได้เมฆดำคั่ต่อไปเมฆแดงคั่ต่อไปพระจันทร์เสี้ยวคั่ต่อไปฉันไม่ต้องการนคกรนาประเภทฉันไม่ต้องการมันอย่างนั้นไม่ได้นักพรนาต้องเปิดเปิดใจเปิดทางสายการออกมาให้เป็นหนังใจท้องฟ้าใจแห่งจักรวาลเป็นใจแห่งจักรวาล ร <c oughs> ะเบิดประตูหน้าต่างเตะวงกบออกไปให้หมดเ mm hmm. พื่อกลั่นเครื่องกลั้นเนี่ยออกไปให้หมดแล้วเราจะแก่งกับปกติ <c oughs> แล้วอย่าติดในรูปแบบถ้าติดในรูปแบบมันก็มันจะกั้นเราเหมือนกัน <c oughs> พอเปลี่ยนรูปแบบก็ตายพอดีเลยกูไม่านี่เป็นอะไรเหมือนกับพวกไอ้นายกหรือประธานาธิบดีพอปลดตําแหน่งแล้วโอ้ยไปไหนก็ไม่มีคนรู้จักเลยก็เลยตายพอดีเลย ติดจะติดอันนี้พวกนี้สร้างให้เราอ่อนแอแล้วหลงในอีโก้ในช่วงแล้วหลงก็หลงได้ไม่นานเพราะนั้นเราอย่าจงปล่อยใจให้เป็นใจแหง่งดังใจแห่งท้องฟ้าดังใจแห่งจักรวาลและต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถที่จะดีเซเกิลสิ่งต่างแล้ถึงยอมถึงมีความทุกข์ถึงสับสนก็อย่าไปกลัวอย่าไปต่อต้านมันแล้วพวกนี้แหละจะเป็นครูทุกตีเราให้เข้มแข็งถ้าเราเจอแต่ตึ้งดีในชีวิตเรานะใครเอา อยากจะกินอยากจะกินละเจ้าเขาก็มีเทวดาขี่เฟียนมาแล้วก็คีบใส่ปากให้ อ, อยากกินแล้วจ้าอยากกินน้ำละเจ้ามันก็เอาป้อนน้ำให้อยากกินนมล้วแม่มันก็เอานมมาให้อยากกินนมจืดลดลดลดจืดลงในเพิ่มหวานมันก็เอามาให้ในพวกนี้ทําอะไรไ เ, ปไเป็นไหวเปียเสียขาหมดเลยในสุด <c oughs> พอวันหนึ่งไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีนางฟ้ามาป้อนข้าวแล้วตายพอดีเลยต้มมามากินยังไม่เป็นเลยอย่าง น, นี้เรามาฝึกนอนตรงนี้เสือก็ไม่มีเสืออยู่ที่ไหน นอนตรงนี้อ่ดูมันดูนะดูมันลำบากดูมันลาบากแต่พวกนี้จะทำให้เข้มแข็งแต่ไม่ใช่สร้างอีโก้ขึ้นมานะเราก็มีปัญญาเข้าไปอีกทีหนึ่งช่วยกากับไม่งั้นเราก็โอ้โหเราเก่งเว้โนอนบนดินได้น <c oughs> ี่ไหนได้ไอไอไ อ, ไอเต่ากระตายบนหัวเรา กูมุดดินอยู่ตรงนี้กูเห็นอ้วนด่างอะไรเลย <laughs> ช้างก็บอกว่าจกินนอนนอนโคนได้เลยแต่เราก็ไม่ใช่ไปนอนโคนแบบช้างแบบหมูป่าแบบอะไรอย่างเงี้ย น, นะเราไม่ต้องไปทําขนาดนั้นเราแค่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ได้ก็ไม่ได้ติไม่ได้้ต่อต้านอะไรแยกหนาแต่เขาไม่จะมามาจมปักัดันอยู่กับแบบนี้ตลอดไปเราแค่ชั่วครั้งชั่วคราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นแค่ชั่วครา้งชั่วคราวเราก็ยอมรับมันมาอยู่ที่นี่ก็ยอมรับมันไปอยู่กรุงเทพก็ยอมรับกรุงเทพไม่ใช่ไปต่อตา้านแอนตี้กรุงเทพอย่างเงี้ยนะ นั่งรถแท็กซี่รถติดไหนก็เอมพี้มันอยากจะหนีเข้าป่าก็ไม่ได้อีกละนกอยู่ป่ามันก็ไม่มีเสียงดีสูอะไรช้างอยู่ป่ามก็ทํามานลำบากคลานป่าล่าอยู่ทุกวันอื <c oughs> พอเราหนีจากเมืองมามันก็มาอยู่ไม่ได้เป็นานเนี่ยนั่งเหงาอีกละหอนปู่ <c oughs> ไม่ใช่หมาป่าเราอยู่ไม่ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่พอเราอยู่กรุงเทพก็ไปต่อต้านกรุงเทพไปต่อต้านความเจริญต่อต้านเสียงสียวิไล <c oughs> หลักเป้าหมายก็คืออยู่ให้ได้ในเมืองก็อยู่ให้ได้ไม่ใช่จมปักดักดันหรือยึดติดมันแราอย่ายึดติดทางใจมากกว่าให้อยู่แต่ทางกายเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็อยู่ไปเวลามีเหตุปัจจัยมาเดินป่าเดินตู้ตรงมีกิจกรรมโอ้ก็มีความสุขกับมันเวลาไปทํางานก็มีความสุขกับมันแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมถ้ามีโอกาสเกิดชาติหน้าฟ้าใหม่หรือว่าเหตุปัจจัยพร้อมเราออกก็ได้เป็นนักบวชหรือว่ามีชีวิตที่อิสระมีสตังเงินทองเหลือล้นแล้วก็เลือกกระทําอะไรทีนี้ อยากจะเป็นอยังไงอยากเป็นศิลปินก็ไปโพยผมยาวอยากมีหนวดก็ไปไว้หนวดมันไม่มีใครจับเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะมันก็เป็นคนเดิมนั่นแหละการตระหนักรู้การตื่นรู้ก็ต้องใช้หลักการเดิมอยากบวชก็ไม่บวชถ้าไม่ไม่พอใจกับการนักบวชก็ไม่ต้องบวชถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหารูปแบบมีปัญหาก็ไม่ต้องบวชก็ได้เหมือนกันไม่ไม่มีคนศรัทธาไม่บวชก็ไม่เป็นไรยอมรับได้ไหม เป็นกบก็อยู่ให้ได้เป็นเขียดก็อยู่ให้ได้เป็นตุ๊กแกก็อยู่ให้ได้เท่านั้นเองเป็นนกก็อยู่ให้ได้อย่าไปน้อยอกน้อยใจอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าอยู่ได้ก็ใช้ได้แหอแต่การภาวนานี่ก็คือภาวนาทุกรูปแบบอะไรก็ภาวนาก็ไม่ใช่ทำอะไรรุนแรงนะไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิหรือท่องบริกรรมทั้งวีทั้งวันหรือนักรูปคำทั้งวีทั้งวันหรือสวมใส่รูปแบบตลอดเวลาหรือทาท่าปแปลก ดูท่าทางสงบไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปเสด็จแซงแก้งทางหรือดัดแปลงตัวเองขนาดนั้น <c oughs> แล้วก็ผ่อนคลายเน้นที่ใจเรามีใจทุกคนก็มีใจนี่แหละทุกอย่างเกิดผิดใจระดับที่ใจดูตรงนี้กันแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันเรารู้ถ้าเราไม่ทุกกับมันไม่เดือดร้อนกับมันไม่ต่อต้านวิ่งหนีมันนั่นแหละใช้ได้แล้วคุณไม่ต้องเป็นอะไรคุณเป็นแค่คนธรรมาไม่จต้องเป็นนายกประธานเป็นธ น, นาทีททดีผดีแล้วไม่ต้องเป็นเจ้าวาดู มีอำนาจมหาศาลเราไม่ต้องคอเปลี่ยนแค่เป็นคนธรรมดาเราอยู่กับมันกับปัญหาของเราเนแล้วมองว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหามันเป็นเพียงปรากฏการที่งดงามก็คขำขากับเรื่องราวต่างๆได้ <c oughs> ตื่นรู้ในเส้นทางแห่งใจตื่นรู้ในใจแห่งท้องฟ้าเรื่องราวในใจแห่งท้องฟ้าเรื่องราวแห่งธรรมทั้ง อ, อกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งธรรมประเภทดีและไม่ดีที่อยู่ในใจของเรา <c oughs> จริงๆมันก็ไม่มีดีมีชั่วหรอกมันไม่ดีมีธรรมดีหรือธรรมดำธรรมขาวมันได้แบ่งแยกชัดเจนเพียงแต่แบ่งแย ก, แแยกตามลักษณะชั่วคราว <c oughs> อย่างเช่นแมงกแง่งก็เรียกว่าแมงแง่งโดยสมมติโดยแท้ก็ไม่ใช่อย่ามงแง่งกายวิวจะเรียกเป็นยุงอีกแล้วเองทีนี้พอกายล่างเป็นยุงแล้วก็บอกแมงแง่งมันก็ไม่เข้าใจอีกอ่ะ เลยเราเรียกว่าสุขทุกไปตามลักษณะเฉยแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรเราเรียกว่าสมมุติ <c oughs> ตื่นรู้ในทางสายกลางตื่นรู้ ใ, ใจแห่งท้องฟ้าก็คือตื่นรู้ในลักษณะนี้ <c oughs> เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็พิจารณาหเห็นพิจารณาดูอย่างสงบเงียบแล้วทุกอย่างก็แสดงความจริง <c oughs> เห็นไหมภูมคภูมิแสดงความจริงไปแล้ว คืนแรกคร่ำคืนแรกแสดงความจริงไปแล้วตอนนี้กำลังแสดงความจริงอยู่แล้ว เ, เราจะพูดหรือไม่พูดก็เป็นทุกอย่างมันแสดงธรรมมาอยู่แล้วอ า, อาจารย์ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องถามไม่ต้องตอบถามไม่ตอบก็ได้ก็มีประโยชน์เถามแล้วตอบเป็นหลายๆชั่วโมงก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้ให้อาจารย์เงียบดีกว่าเพ <laughs> <laughs> ราะว่าทุกอย่างมันอยู่มันแสดงตัวของมันอยู่แล้วไฟป่าไม้ป่าต้นไม้ตายไปจริงส่วนมันหัก มีวิ่งตะกบคนช้างป่าใช้ชีวิตไฟมันคุกไหมทุกอย่างนสายลมมันพัดไหวเหตุการณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวไปหยุดปรากดตรวตรงนี้เกิดขึ้นมานันมันแสดงอยู่แนละ้ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ยัค้างเดดักดานอยู่ตรงที่เดิมในเรื่องแบ บ, แ บ, บเดิมทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนี่มันแสดงธรรมะอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปทับสัตว์หรือว่าขยายเพิ่มด้วยซ้ําไปจริงๆแล้วนะ แต่ว่ามันก็มีอยู่บ้างที่จะต้องคุยกันเล็ก ๆ, ๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอเพื่อสร้างสีสันในเส้นทางการภาวนา <c oughs> ถ้าไม่พูดกันเลยๆนี้มันก็แสดงว่ามันเข้าใจทั้งโลกแล้วมั <c> ้ง <oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจอะไรก็คุยกันได้คุยกันไม่ต้องไปซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยถามตอบกันปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างงี้นะพ <c oughs> อคุยกันแล้วก็ มันก็เข้าใจแล้วก็ต่างคนต่างภาวนาไดสังเกตการภาวนาคือการสังเก ต, ตมาอยู่ที่นี่ก็สังเกตตรงนี้สังเกตดูอากาศสังเกตดูความรู้สึกสังเกตกรอบคิดเห็นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นหน้าที่ที่ไปจัดการแก้ไขหรือว่าไปบล็อกไปกัน้นมันเห็นก็คือเห็นเหมือนเห็นฝนตกก็ยอมรับมันก็เอาถ้าอากได้น้ําฝนก็เอาถัางไปรองถ้าตากผ้าไว้ก็ไปเก็บผ้าเท่านั้นเอง แล้วเร า, เร า, เ, ราเราจำลองภาพเหตุการณ์ที่เร า, เรามาเข้าคอร์สนี้ก็มันเป็นการสร้างคอร์สขึ้นมานมันก็มีเรื่องราวต่างๆที่กว่าปกติวันหนึ่งในกรุงเทพกับวันหนึ่งที่นี่มันจะต่างกันเรื่องราวเนื้อหาแล้วตัวละครมันก็แตกต่างรูปแบบรูปแบบที่ต่างกันก็ <c oughs> รางทีเราไปอ่านหนังสืออยูน่นี่ในบ้านเในห้องหนังสือส่วนนวลมันก็อีกแบบหนึ่งมันก็เป็นประมาณนั้น พอ abei, มาอยู่ magic, นี่ก็เป็นตัวละครเป็นเป็นเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันแต่ว่าคนละรูปแบบคนละลักษณะแต่เนื้อในเหมือนกันถ้าเราสังเกตจริงๆอ่ะเหตุการณ์นี้เรื่องราวต่างๆที่เกิดในเป็นธรรมชาติเป็นป่าไม้เ <treatment>, ป็นตัวละครต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมันมันแปลกใหม่สําหรับเราเทนั้นเองแต่ถ้าเจอบ่อยๆมันก็เบื่อมันกันเหมือนเราไปนั่งอ่านหนังสือทุกวีทุกวันไปวัดทุกวี่ทุกวันทำบุญทุกวี่ทุกวันมันก็เบื่อมันกันอยู่แลทั้งพระจิงสุดไง บางคนสมาทานศีลสมาทานตั้งใจอธิษฐานไว้คูจะบวชตลอดชาติไม่บรรลุไม่ยอมอื <c oughs> แต่พอไม่ถึงสามเดือนละไปก่อนละ <c oughs> นะฮะแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นมันคือมันไม่แน่ไม่นอนเนไง <c oughs> พอได้มีอํานาจเต็มที่มันใช้อํานาจจนหมดแล้วมันก็มีไม่มีสาระอะไรอย่างคนเนี่ยเป็นคนจนก็อยากรวยพอรวยได้เข้าจริงแ ล, แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ไปอยากหาอย่างอื่น มันเล่นมือถือสมัยก่อนในฝาดผมว่ากันแตกเลยเครื่องละ8 0,000 ื่นวโอ้ใครมีเท่แล้วเกินแล้วรวยแล้วเกินมีใช่าหคนเศรษฐีท่านหนงทุกวันนี้ไอโฟนไอแพคไออะไรต่างๆนี้ไอไปมาจะเป็นวัดทั้งเมืองเลยทุกวันเนี้ยก็ยังไม่พอใจก็ยังไม่มีความสุขนะแต่พอเรานักภาวนาในเข้าวัดถือศีลกินเกมาสารพัดรูปแบบนะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกัาเก่าเราก็แค่มีความรู้ขึ้นตามเหตุปัจจัยที่เรา่เรียนมา พอมาเจอป่าเจอเขาก็แปลกๆดีเหมือนกันเออกันอัริยแต่พอไปอยู่นานๆเหมือนช้างป่าก็เบื่อมันอีกแล้วจริงๆแล้วบางทีสังเกตดูใจของมนุษย์เรานี่ยมันเป็นแค่การเสพเมื่อเราเสพไอ้เรื่องหนึ่งมันเสพมากๆเราเต็มอิ่มแล้วมันก็จบมันก็ไปเสพอย่างอื่นเสพอย่างอื่นเสพอย่างอื่นเสพเปลี่ยนอารมณ์เสพเมื่อเราเปลี่ยนเพลงไงแค่นั้นเองไม่มีอะไรจริงจังถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไม่เสพมันเกินไปไม่ติดมันเกิน ไม่บ้ามันเกินไปเวลาเวลาเราเสพเรื่องทางโลกอยู่ก็จะบ้ามันมากเกินไปเวลาเรามามาศึกษาทำก็จะบ้ามันมากเกินไปทำไมจริงเรามาอยู่ที่นี่ด้วยกันเลยสักเจ็ดวันก่อนเลยลองโดูกินอะไรก็กินด้วยกันมันมันเจ๊ ชอบจริงๆไหมมีคนชอบเลยเกินสวยเลยเกินดอกไม้ก็สวยลมก็สวยเย็นก็สวยต้นสนก็สวยสวยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยสวยบรรยากไม่ได้จบเลยนั่งสมาที่ด้วยกันเลยนั่งไปนั่ ง, งไปทั้งมาสามสี่วันไปนั่งอยู่ก้อนหินโอ้ยบ่ ม, มีไผมาบ่จ <c oughs> <c oughs> ีบทอดบ้านคิบทอดอาจารย์สิกลับมาเด้เดยวเลยอาจารย์สการคิดถึงลูกป <c oughs> ู่กันดนที่เราอยู่สามเดือน <c oughs> มนป็นลูกปูชาบ้านเนี่ยมา โยมมาที่วัดนี่ฉันจะขออยู่บวชชีอยู่ที่วัดถือศีลแปดอยู่ตลอดไปอยู่ไปเรื่อยให้พ่อสามันบาขอนลากลับบ้านและจ้ะนี่มันเป็นเสพอารมณ์ไงถ้ามันไม่เข้าใจเรื่องเรื่องอารมณ์กับปักปกัดใจที่แท้จริงของเราเนี่ยใจ้งเราที่แท้จริงมันเป็นที่าศาสนาะทุกอย่างมีมีบทบาทคือมาแสดงแล้วก็ดับลงไปไม่ว่าเรื่องศรัทธาก็มาแสดง บางทีบางช่วงของชีวิตบางการละบางบางพิกัดบางจั ง, จงหวะเนี่ยเราจะมีศรัทธามากเลยเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ได้เกี่ยวกับเป็นโจรเป็นขโมยก็ได้เกี่ยวคนดีคนชั่วก็ได้และสิ่งเหล่านี้มันจะเสื่อมไปเพราะมันเป็นเพียงข้อมูลไงมันเป็นข้อมูลที่มาแสดงมาแสดงอยู่ในใจของเราใจเป็นที่สาธารณะบางทีเราอยากจะบวชชีบวชพระออํารู้แล้วรู้หอดไปเลยเบือ่อเลยเกินโลกไปนี้ได้จระละเลยเกินอยากบรรลุธรรมอยากเป็นพระนิ่ง แห่งงงงามอาเฉสักพัทแห่งก็เบื่อมนันไม่เป็นพระหลานก็ได้เป็นมนุษย์ธรรมไร้ว่าเลยมามาเพระในพุทธประวัติเนี่ยตั้งใจเดินเดินกล ม, ม, ม, มทําสมาธิทํำทุกถึงอย่างที่ครริจ้าสอนอยากจะสําเร็จเป็นพระหานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ท้ายพอไม่อยากจะเป็นมันกับผ่อนคลายลงการผ่อนคลายก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นอะไรมากมันก็เป็นธรรมชาติมันแค่ผ่อนคลายลง อ, อาจจะสมมุติทับศัพบลงไปว่านี่คือสิ่งสําคัญ คือเป้าหมายของชีวิตคือโมฆะธรรมคือพระราลันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ติดสมมติล่ะก็เป็นองพูดอะไรก็แค่รู้แล้วว่าเรามีความสุขสุขก็ไม่ไม่สุขโลดโผนไปชาวโเป็นสุขสงบเย็นเรื่องนีเป็นเป็นเย็นนิพพานเย็นความผ่อนคลายจิตใจมันเข้าใจและผ่อนคลายลงนั่นแหละคือความเป็นเป็นที่สุดของทุกข์ถ้าจิตใจมันยังอยากมันจะอยากเป็นปรญหามันก็ไม่ผ่อนคลายมันมันไม่ใช่เป็นภาวะที่ผ่อนคลายมันเป็นความอยากถึงอยากเรื่องดีนะบางททั้งมัน ไม่อยากแต่ว่าความอยากเนี่ยมันเป็นแค่ปรากฏการโชว์ไงมาโชว์ในใจสุดท้ายมันก็ดับลงไปมันก็ตายลงไงถ้าเป็นคนเกิดมาก็ต้องตายไม่ว่าจะเป็นเกิดเป็นคนยาจกก้อยเปียเสียขาเป็นคนดีคนเชื่อเป็นยาจกก้อยเปียเสียใจมันก็ต้องตายลงไปไอ้ความรู้สึกพวกนี like ้ความอยากเป็นผนามันก็ตายลงไปอยากบวชก็ตายลงไปอยากบวชชีก็ตายลงไปพอตายลงไปมันก็ผ่อนคลายลงแต่ว่าตรงนั้นแหะที่สุดแห่งทุกข์เพราะว่าไอ้ความอยากนี่คือความทุกข์ มันเกิดขึ้นมาเป็นสังขารที่สุดของทุกข์คือที่ไหนก็อยู่ตรงทุกข์นั่นแหละเมื่อทุกขนสิ้นบทบาทนลงก็เป็นที่สุดแห่งทุกข์แต่เราเคยตระหนักรู้หรือไม่นั่นแหละคือนิโรธาที่ดับลงของทุกข์แล้วมันก็อยู่คืออยู่ที่ใจแล้วนะเป็นใจที่ไร้ใจเป็นใจที่ไร้ขอบเขตเป็นใจแห่งท้องฟ้าตื่นรู้อยู่ที่ไหนก็คือตื่นรู้ใจแห่งท้องฟ้าตื่นรู้แบบที่เล่ามาเทั้งหมดการภาวนา ถ้าจะถามอาจารย์นะอาจารยไปอยู่คูยุคูทํำยังไงภาวนาไหมก็ตื่นรู้สินะอะไรก็ตื่รู้แต่ไม่เข้าไปก้าวไกลแทรกแซมมันไปอยู่หิมาอะไรทำยังไงหนาวลบยี่สบองศาทําังไงก็ตื่นรู้คาถามไม่ใช่เลยนะไม่ใช่กสินไฟไม่ใช่เลยไม่ใช่อยากอวดไหนก็กูก็แอบใช้อยู่นั่นแหละกูมีแกสินไฟกูต้องมีพิเศษหรือลูกศิษมันก็บ้าก็ลงมาเองนะทีเนี้ถ้าเราพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าคนทําอะไรได้ ก็ปกติคนที่ฝึกคนทำไรได้แม่งมากกองาปกติพูดอะไรไปต้องระบบระวังคนเชื่อมันติดมันงมงายมันมันตกเป็นทาตเรานะเราเราถ้าเราบ้าอำนาจบ้าบ้ า, บ, าบ้าลาทาตหนึ่งก็ไปได้เหมือนกันน ะ, ะเพื่อจะครอบงำเขาไงก็ต้องพูดให้เขากลัวพูดให้เขาย่านพูดเหนือเขาเขาก็จะตกเป็นทาตุของเรา <c oughs> ในทเราเพื่อจะปลดปล่อยทาตุไง <c oughs> ปลดปล่อยเพื่อให้สู่ใจแห่งท้องฟ้า <c oughs> เพื่อให้เข้าสู่ความอิสรภาพที่แท้จริง เข้าสู่เสรีภาพเข้าสู่วิมุตต์ให้ได้คือความสงบแช่เพราะว่าตูนไม่ต้องไปถูกใครครอบงําหรือครอบงำใครไม่ต้องปเป็นตุกุลาตของผีสางนางไม้เอเมื่อเราบรรลุเข้าใจจัจะกระจ่างของต่อธรรมแล้วนี่ให้ผีสางนางไม้มันก็ดสิ้บนบทบาทไปนะไม่งั้นเราก็ตกเป็นทาตของมันการพุธทธานี่คือเพื่อปลดปล่อยทาตุทั้งมวลเพื่อให้คนนี่ไม่ไม่เป็นทาตของสิ่งใดเพื่เ อ, เ, อ เ, ขเข้าไปสู่ความ เป็นธรรมเป็นหนึ่งเดียวกับธรมรมคือความเป็นอานาตสุนิตาไง เ, าเข้าสู่มิติสุดทา้ายของธรรมนั้งปลุกให้ได้ท่องเข้าใจตรงนี้ต้องปัญญาแก่กล้าตะบะแกะ่กล้าอย่างเรามาฝึกทั้งตบะนั้นเนี่ยทั้งทั้ ง, นะ ท, ง, ท, งทั้งปัญญาทั้งตบะถ้าปัญญาเนี่ยก็คิดอย่างเดียวพรุงแต่งอย่างเดียวนึกอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวแต่พวามมีประสบการณ์ไปบ้างนี่แล้วก็มีประสบการณ์ผ่านตัวละครผ่านมิติต่ตางๆผ่านการสังเกตผ่านการพิจารณาผ่านประสบการณ์มากๆนี่เหมือนนักรบที่ผ่านข่าสึเกยเงยอะไงมันจะเข้าใจ แต่เราไม่เคยผ่านมีจต์เนืเอ่องจคิดบางทีก็มันใช้ไม่ได้พอเรามาเจอด้วยตนเองด้วยตัวเราเองไม่ใช่มิจต์ครูวิจารย์เล่านะใช่ไม่ได้เราก็จะเกิดความเข้าใจกระจ่างต่อปรากตรการต่อธรรมต่อสภาพธรรมเห็นแก่นแท้ของธรรมเห็นที่สุดของธรรมเห็นที่สิ้นสุดของของธรรมเมื่อธรรมมันสิ้นสุดปวดบาทลงแล้วคืออะไรคือธรรมที่สุดของธรรมคือธรรม ที่สุดของธรรมก็ ค, คือความเป็นนิโรธะนิโรธะเกิดที่ว่างอันมหาศาลคณัตาสุนิตาอะสุขทุกขเกิดขึ้นตรงนั้นเลยระดับตรงนั้นสังเกตอยู่นะเป็นการตื่นรู้ <c oughs> สังเกตตัวทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ต่อต้านและแอนตี้ไม่บล็อกไมกัน้นดีเซเกิลทุกดีเซเกิลซาตานมารร้ายให้เกิดประโยชน์ให้ได้แล้วเราจะเข้มแข็งกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราฝึกปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องฝึกค้คนความเหมือนนักวิจัยเลยนักภาวนาเนี่ย เหมือนนักมวยเหมือนนักทำธุรกิจเหมือนทำทำค้าขายเป็นเหมือนค้าขายเป็นน่ะถ้านั่งแต่นั่งคิดเอาอย่างเดียวไม่ได้นะค้าขายก็ต้องลงทุนลงแรงมีความภาคเพียรมีความพยายามจึงจะไดะ้ตามเป้าหมายของตัวเอง <c oughs> นักภาวนาก็เหมือนกันนักพัฒนาก็เป็นนักวิจยัยหรือแแห่เนี่ยอย่างมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเป็นนักถือสินกินเจอะไรหรอกเรามาหาประสบการณ์ประสบการณ์นี่คือทําให้เราเรียนรู้นะ่าดายของปัญญาเจอเจอตอนนี้ <c oughs> สามารถถามไปถามมาต่อไปได้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจได้แล้วก็เจอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วก็มันเข้าใจมันไ ม, ไม่สงสัย <c oughs> <c oughs> มนุษย์เรามีความสงสัยเยอะถ้าเราไม่เข้าใจอย่งอางกระจัดแจ้งไม่มีปัญญาไม่มีประสบการณ์เวลาถ้าไม่เราไม่เคยขึ้นครูลหลวงมานี้นะก็าถามแล้วก็อานหนังสือมาแล้วก็ตอบไป <c oughs> แต่ว่าไอคนที่เคยมาจริงๆเงียบสงบเงียบข่กินไม่เป็นอย่างนั้นเลย อะไรประมาณนี้ถ้าเราเห็นหลายๆมิติแล้วเราจะเข้าใจความจริงเช่นเดียวกับเราพิจารณาดูสภาพธรรมพิจารณาดูสภาพสังขารที่เกิดขึ้นในใจของเราให้เห็นหลายๆมิติของความสุขและทุกข์จนถึงุมิติสุดท้ายแล้วเราจะยิ้มได้แล้วเราจะไม่ต้องพูดอะไรอะไรประมาณเนี้ยอย่างนี้มันส่งเสริมไงมันเป็นการแสวงหาเป็นการใช้ความพยายามเหมือนนักร้องที่ กำลังจะฝึกร้องเพลงฝึกเต้นราอยู่ถ้าไม่ฝึกนี่ไม่มีทางถ้าไม่ฝึกเต้นไม่มีทางมันต้องเพิ่มทักษะมันต้องซ้อมมอนกันพระรูเจ้าถ้าไม่ไปฝึกฝ น, น, บ, นบําเพ็ญตนบำเพ็ญตบานไม่มีทางอย่างนักภาวนาก็ต้องอย่างนี้ว่าถือว่าโชคดีที่ได้มาอได้ว่าฝึกฝนถึงจะเป็นสี่วันก็ได้ยามจะหาข้อมูลข่าวสารให้ให้เราขบย่อยให้ได้มากที่สุด ให้มันมีความแตกต่างหลากหลายเห็นหลายๆมิติของเรื่องราวเนื้อหาตรงนี้ให้ให้หลายๆมิติเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่ได้มาง่ายๆไงเดินก็เหนื่อยใช้ทั้งเงินทั้งแรงใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งมีความสนใจต้องมีด้วยนะไม่สนใจก็มาไม่ได้ต้องอย่างไรต้องรักธรรมชาติชอบตัวชนภัยชอบอ ท่องเที่ยวเราท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันท่องเที่ยวก็เป็นการศึกษาต่อไปก็ธรรมะละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะมาง่ายนะบางคนอยากจะมาก็ไม่ได้มานะ <c oughs> ไม่มีเวลา <c oughs> บางคน ม, ม, มีเวลาแต่ไม่รู้จักเราเนาะ <c oughs> ไม่ถูกเรา <c oughs> พอเราก็เรามาแล้วก็อาจารย์ก็หาข้อมูลให้ยื่นให้ยื่นให้อาจจะไม่ไม่นั่งพูดนั่งเทศนั่งสอนนั่งตอบนั่งถามกันหรอกพาเดินปวดมันเป็นยังไงเวทนาเคยอ่านนหนังสือ กรธเป็นยังไงเคย อ, อา่านเป็นหนังสือทอแท้งองแง ง, งองแงงกอดอ้อนออซอ อ, อ, อันเป็นยังเคยอ่านเป็นหนังสืออารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์โกรธอารเกลียดอามอิจฉาลิษยาสเป็นยังไงนี่แหะมันสะท้อนขึ้นมาเขาเรียกว่าสร้างเหตุปัใจจัยให้กระซวก ม, <g oth> มันออกมาเราเห็นได้ไลถ้าถ้ามีปัญญาก็เห็นพิจารณาดีใสเ่เขินไปแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ตกนรกทั้งเป็น <g oth> แต่ว่าถ้าเรามองไม่ได้มองแบบแง่ร้ายป้ายสีไม่ได้มองแบบกล่าวโทษตัดสินถึงจะโกรธก็ไม่เป็นไรถึงจะเครียดก็ไม่เป็นไรถึงจะทุกข์ก็ไม่เป็นไรนั่นแหละจะทำเวลาเข้มแข็งการเรานอนที่บ้านเราต้องมีประสบการณ์ไม่เข้มแข็งกันนะพอไปเจอทุกข์ลำบากนิดหน่อยก็งอแงงอแงงอแงยิ่งกว่านี้อีกนิดแสดงพวกเรานี้แข่งใช้ได้ <c oughs> นั่กษารุนใหม่ ฝึนอนกลางดินกิงทรายเหรียนเอาใครเป็นอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวอาจารย์นะเอากิ้งหลีกิ้งห ล, มงลีมันลองอีดๆเลยมันอยู่ได้มันไม่กลัวไม่ท้องคาถาไม่กลัวช้างไม่กลัวผีเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ได้เราก็อยู่ได้มันมีแค่ปีแค่หางมีเพื่อนบ้านนิดหน่อยนะมีต้นหินก้นเนิ น, นเราจะบอกว่าเราดีกว่ามันนะมันนอนอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> มันนอนทั้งกี่ั้งข้าเราอย่าคิดว่ามันจะเป็นสายเหตแล้วเรามันรุ่พระหันนะ มงันมันบรรลุไปแล้วมันอยู่เรียบง่ายสมถะมากเลยเรามาเชียออนิดหน่อยเราบอกว่าจะดีก่บมนุษย์คนอื่นเขาไม่ได้นะเราอย่าเพิ่งหลงตัวไปเองมันเป็นแค่มิติเล็กๆที่เรามาเรียนรู้จากธรรมชาติเท่านั้นเองเพื่อจะให้เพิ่มทัศน์ในการตระหนักรู้เพิ่มทัศน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ในวันข้างหน้าเพราะเราต้องพัดภาคต้องแก่ต้องเก็บต้องตายนี่คือความจริงนะเราพูดกันเล่นๆเนี่ยแต่มันเป็นความจริงเราต้องแก่เราไม่เป็นอย่างนี้ตลอดนะพราะนี้คือแค่เป็นเพียงมิติหนึ่งเป็นเพียงช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนเราบอกช่วงขณะหนึ่งตอนยูบูยูบช่วงขณะหนึ่งตอนวันนั้นแรกไงช่วงัขณะตอนกำลังปีนปหน้าผาไงนั่นมันเป็นแค่ช่วงที่เราเห็นแต่ละแต่ละช่วงแต่ละปรากฏการมันเป็นเพียงช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นเองของเหตุปัจเจกที่มันปรุงแต่งขึ้นมาให้เราพบเห็น มันยึติดไม่ได้เลื่นเลื่องไม่ได้เวลาเราหัวเรามันก็แค่ช่วงขนาดหนึ่งเวลาเราเซื่อื่นให้ก็แค่ช่วงขนาหนึ่งเวลาเราดีใจก็แค่ช่วงขนาดหนึ่งเวลาหนุ่มสาวก็แค่ช่วงขนาดหนึ่งเวลาเราแก่ชราแค่แค่ช่วงขนาดงจนกระทั่งเวลาเราป่วยเราจะตายก็ช่วงค่ช่วงขนาดหนึ่งท่านั้งอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปกลัวมันอย่าวาดหันมันอย่าวาดหันในสิ่งที่เราไม่ชอบอย่าเพลิดเพลินเจริญใจในสิ่งที่เราชอบเพราะมันเป็นทุกอย่างมันเพียงแค่ช่วงขนาดหนึ่งเหมือนดอกกุหลาบถัดจากความเบิกา็คือเหี่ยวแ้ง าจากคนงามคือข้างกายแข็งแรงกำยำก็คือแก่ชราและตายไปนั่นคือสังขารหลายเป็นไปอย่างนี้ทีนี้เราเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้อยู่เ น, นี่ยนีไม่พ้น <laughs> เรานี้ไม่พ้นใจของเราเนี่มันสัมพันธ์กับความแก่ความเก็บความตายความปัดจุาัความสมหวังผิดหวังความมืดความสว่างความดีควา ม, ม, วา ม, วามชั่วคิดดีคิ ด, ด, คดชั่วเนี่ยใจของเราสัมพันธ์กันอยู่และปาปตการสัมพันธ์กับใจรักเราต้อง เราตระหนักรู้หรือไม่ถ้าเราสังเกตดูเราก็จะกลายเป็นคนที่มีปัญญาจากคนที่ขาดที่กลัวเคยกลัวความแก่ความเจ็บความตายเราจะคลอนคลายกับความแก่ความเก็บความตายนี่คือมันมันมันแบบคลอนคลายตรงนี้มันจะดีตรงนี้คือป้องไมยของการเรียนนะนะจากคนที่งอแงง้องแง ง, ง, ง, ง, ง, งหน่อยเตะหินหน่อยก็ค่อยแพ้ไ พ, พ, พ่ต่อไปเตะตั้งต่อไม้ก็เฉยๆย้มขำขำจังเลยไ อ, ลอ้ล้อล้อเขาเรียกว่าโยคีล้อเล่นกับความเจ็บปวด เคมโยคีล้อเล่นกับความเจ็บปวดโยคีนี่อิเดียใช่ไหก่อนนี้เขาว่าไอองค์ชาติมันชอบขึ้นใช่ไหมเห็นหน้าผู้หญิงสวยๆหนมันขึ้นมามันแข็งตัวขึ้นมาแกก็รอเล่นกับความเจ็บปวดแกเอาหินมาถ่วงเลยเอาเชือกปอมามัดองคชาติแกก็แฝงแ่งแไวงใครแ่งได้ได้หลายกิโลนี้ดังในคงในครงขายของเราโยคี บางคนแปดโลสิบโลถ่วงได้เลยถ่วงให้มันตายอย่นหมถ่วงให้มันตายไ ม, ไม่ต้องมีความรู้สึกรู้ษาอะไรวันนั้นนี่แต่แนวทางอริเจ้าก็บอกว่าเออมันอยู่ที่ใจให้ผ่อนคลายให้พิจนาตามหลักวิปัสสนาอะไรประมาณนี้อย่างที่เรามาใช้นี่หมวดธรรมนี่แหละไม่ม่วงกันเลยแหละ มองครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์ว่ก้ามนี้มันผ่อนกายกับวันที่ผ่านมาดีขึ้นแต่ก็ลาอยู่บ้างเพราะว่าข้าวอาหารเราทานน้อยลงไงแต่อย่ากังวลไปเลยกับข้าวต้มนะเอมันก็ทานได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราไปกินไก่วงที่บ้านอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเต้มข้าวเก่านั่นแหะขูดหม้อขูดหัวเอามาต้มใส่ในนั้น ใส่พัดตาไปอร่อยเลยมีใส่จริ๋งน้ําจริงเลยเนี่ยชีวิตชีวิตของเราพอเรียนรู้มันก็อยู่ได้นะมันก็มีการปรับตัวเวลามันหนาวมันก็ดึงผ้ามาห่มมันไม่ปล่อยตัวเองทรมานนะมันก็รู้จักแก้ไขปรับปรุงเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลามันง่วงจับมันก็หลับมันนอนไม่หลับก็พยายามหาวิธีหลับในส่วนมันก็มันเหนื่อยมันเก็บมันปวดเดินมืดแล้วมันจะสร้างกล้ามเนืขึ้นมาใหม่อบำรุงร่างกายเรามสร้างไม่ไหวแล้วเราต้องตื่นตัวแล้วเดี๋ยวปราพูดเดินดิ ไม่ใช่เรานะกล้ามเนี้อหรือว่าเอ็นกระสาทอะไรต่างๆเอาลเอามาดูร่างกายเมื่อที่มันรวมตัวกันอยู่แล้สู้ไว้สู้ไว้ดึงกันไว้ดึงอะไรไปนี่มันมันปวดมันเมื่อยมันเรานี่สังเกตดูขังๆเามือนพระราชาดูประชาชนกางทุบเดือดร้อนไหมธรรมดาเหมือนพระราชาดูประชาชนทุกยากลำบากได้ไหมเราต้องนักการนาที่ดีก็ต้องคอยอดกั้นอดทนแล้วดูดูแรงจะผ่านไป ความเก็บปวดเมื่อยล้าหรือว่าความทุกข์ความยากความสงสัยรังเลจะหายไปแล้วเราจะผ่อนคลายกับชีวิตพี่พาไปง่วงเหรอกินกาแฟไปสองแก้วเลยจ้ะไม่ทำไมล่ะกินตั้งใจจะไม่นอนอ๋อคราวนี้จะเนเซนชิกกันครับโอ้ถ้าอยากเป็นส่วนตัวก็ปีกไปได้เลยนะมันคือสนามเรียนรู้ อาคาเลสอนวิชากินนอน <c oughs> กินนอนกลางดินไงสอนวิชาจิ่งหลีดเลยนะอาจารย์มราจะไปนั่งสอนไปดูนั่งปิดไปให้สนิทแล้วก็สังเกตมุตาดูหูฟังช่างเข้ามาก็ให้ได้ยินก่อนหนึ่งร้อยถึงสองรอยเมตรเสียงหายใจมันฝุดเงียบเท่าไหร่ยิ่งได้ยินถ้าเราไม่เงียบเรากุ๊กชิ ก, ก, ก, ก, ก, กดึงสูงกติดตร น, นี้มาดึงตรงนี้มาดึงสายไฟก็ไฟจะบังทุกอย่าง บางดวงดาวได้พอใช้ฟปุ๊บต้นสนนี่หายไปเลยดาวหายไปเลยเราก็จะเห็นแต่ระยะสั้นนมิติสั้นๆพอเราปิดไฟปุ๊บโอ้โหเรื่องราวปรากฏการณ์มากมายเยอะะเลยออกมาต้นติงยีนตาอย่างนี้และมันยังมีศักยภาพในการตื่นรู้ต่อปรากฏการณ์ต่างๆเห็นหลายมิติเห็นลึกๆแต่ที่เห็นแต่แบนๆเนี่ยแต่เลยอย่ไปจิ้มมือถือเลยลถ่ายมามีอะไรบ้างีกียจิ้มันดูตรงนี้เลยอ่า มุมมุมเรียนรู้ปิดไปแล้วก็สังเกตดู <Yeah. S 1> ทา ง, ง่วงก็หลับไปเลยตื่น <c oughs> มาดูดาสัเงเกตดูกรุงเทพไม่เห็นไฟมันบงัง <Yeah. S 1> ไฟฟ้ามันบงัง <Yeah. S 1> แสงมันบงังคนมันบงัง <c oughs> เลื่อมันบงังกการมันบงัง <c oughs> พอมาอยู่นี้มันเปิดเผยว่าเป็นธรรมชาติ <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าเรากาลังกล่าวหาว่ากรุงเทพมันไม่ใช่ธรรมชาตินะ <c oughs> ไปเพี่อก็เปรรน <c oughs> น็นตำสาเหมือนกันแต่ว่าเป็นตำสาอีกแบบหนึ่งมไม่งั้นเราจะกลายเป็นนักนักนิยมตำสารรแบบนี้เลอเคยไปเข้าฟอสที่ไหนไหม นิดหน่อยเ น, นะ <c oughs> สนใจมานานแล้วเนาะ